อาจารย์พท่านสาธุชนพุทธบายสัต์ผู้ฝ่ายธรรมทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันที่เรา ไ, ได้มาสัมมนาธรรมกันอีกครั้งหนึ่งถามตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติทานสิงห์ภาวนาในวันนี้ขอไปที่เด็กๆก่อนนะคุมอเดี๋ยวนอให้เด็ก วันนี้จำนะล่าจะแจ้งที่มาก่อนนะเหรอเพื่อกลางกลังนักสังฆาจารย์ครับวันนี้ไม่มีคำถามครับมาฟังครั้ครับอ่ามาสองการบ้านนะครับ เ, าาเรามีความแก่เป็นธรรมดา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 รับผล น, น, น, นั้นสือไปลองพยายค น, นที่จะระนอย่างนี้ทุกวักนทุกวันเอะอ่อนามอพ ผมคนและฟันหนังเนื้อเองกระดูกเยื่อกระดูกมาหัวใจตับฝักผงผือกตาลิปปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเบี้ยในช่องลมสี่สีสระน้ำดีน้ำเฉลดน้ําเหลืองน้ําเลือดน้ํำเนี่ยน้ํามันคนน้ําตาน้ํำเหลวน้ําตาลน้ำมูดน้ําไข่ข้อน้ํามูดน้ํามูดน้ําไข่ข้อน้ำมูด เดืน้ำตางคนน้ำอยิ้มเต้เดืยดน้ำเสตดน้ำดีเนื้อในกระหม่องสีสัดอาหารเกา่าอาหารี้เส้น้อยใช่ใหญ่ปวดตาคบังผือจัหัวใจมีในกระดูกกระดูกดเอ็นข้างนังวันในขนผมเห็นไหมเห็นหน้าการแบบนี้ไหมเห็นครับเห็นนะ รอรู่ที่ไหนอีเ่ใตัวเราใช่ไใช่ครับโอเคอยู่ในตัวของทุกคนใช่ไหมใช่ครับไม่สวยไม่งามไม่สวยงามไม่สวยไม่งามไม่สวยไม่งามนะอเคอยากไปหลงรักใครนะครับโอเคจะกลับบ้านอะ ไ, ไร่วันอาทิตย์นี้ค okay. รับอาทิตย์นี้จะกลับเมือ เที่ทยว้เต็มที่นะใช้เวลา่นลานโอเคแล้วเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าทัากทาคุณชาจารย์ครับคุณชนิสาจากญี่ปุ่นลูกชายชื่ออะไรนะเลยมาแล้ว่นะคุณค่ะพระอาจารย์นัคุณนะนคุณกับพระอาจารย์ ย, า ง, ยางี้ก็ยัง อันนี้ง่วงมากค่ะแต่ก็อยากจะขอมากราบพระอาจารย์ค่ะอันนี้ไม่ถามอะไรเลยน้าพนไม่มีคำตอบไม่ต้องถามไปอืมไปจะนอนแล้วเหรออาจารย์ถามอะไรครับหนูจ้องมองพระอาจารย์อยู่นอนหนูจ้องทางพวกนี้ต้องไปโรงเรียนแล้วเปล่าต้องต้องไปเนะต้องไปเพราะ โ okay. อเคงนันดีไปนอนอะนะน่าวันนีะตื่นเช้าเช้าโอเคอโอเคอ่ะแล้วคุณถามพระอาจารย์ไหมที่ขมโมยของได้ของคนอื่นได้ไหมค ะ, าามะนุก็ถามจีนอ่ะนุก็ถามจีนพระอาจารย์คะเพราะเขาเข า, ข า, ขาถามว่าถ้าขามโมยของของคนอื่นจะเป็นยังไงคะแล้วถ้าคนอื่นก็ขโมยของเราจะเป็นยังไงนะ เปหนูชอบไหมคะอาจารย์ถามว่าถ้าคนอื่นขโมยของของหนูหนูจะเป็นยังไงไม่ชอบเออไม่ชอบไม่ชอบแล้วหนูจะไม่ขโมยของคนอื่นเขาทําไมนะเขาก็ไม่ชอบเหมือนกันใช่ไหมคะโอเคครับโอเคครับอาจารย์ถ้าหนูไปขโมยของคนอื่นเดี๋ยวคนอื่นเขาก็ต้องมาขโมยของหนูพอใจไหมอืมครับครับครับโอเคนะตื่นนะคะ กราบขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์มีอะไรไหมไม่มีแล้วนะไม่มีค่ะวันนี้มากราบพระอาจารย์เฉยๆโอเคอทีนี้ไปที่ผู้ใหญ่คนระับไปที่คุณหมอพีเชิดเ <c oughs> ชิญกับนมัสการพระอาจารย์ครับขอความเมตตาพระอาจารย์ได้อธิบายอุเบกขาจากสมาธิและอุเบกขาจากปัญญาครับพระอาจารย์ก็อุเบกขาที่ได้จากสมาธิ มันเป็นอบเบคาชั่วข่าวในขณะที่อยู่ในสมาธิ่อออกจากสมาธิมาอุเบขาก็จะค่อยๆจางไปเหมือนกับน้ําเย็นที่เราแช่ไว้ในตูเนนเนต้เย็นนเวลาแช่ใ น, น, นตู้เย็นน้ำไม่เย็นพอเรามันจัดตู้เย็นทัดพับเลยมอนก็เริ่มหายเย็นเพราะรอุณหภู ม, ขมิข้างล่างมือนร้อนเช่นเดียวกันจิตเวลาเข้าองไหนก็เหมือนเอาเข้าตู้เย็นเข้าสมาธิ ออกอยากสมาธิก็ออกมาข้างนอกก็เจอขอ ง, ร, ของอร้อนเนี่ยเจอโรคเสียงดิ้นเจอปวดทาร่าเจอเรื่องเวลาต่างๆมันมันร้อนด้วยไฟของความโลอนร้อนด้วยไฟของความโกรธร้อน้อนด้วยไฟของความหลงอันนี้มันทําให้อุเบกขาที่ได้อยากสมาธิหายไปถ้าอยากจะรักษา ม, มันก็มีสองวิธีเวลาที่ไม่ได้อยู่ใน สมาธิอย่ายังอยานได้อวเวกขายัางพอมีว่าวิธีแรกให้กลับกลับไปจนการสติใหม่พุโทโธพุโทโธปลายละว่ความทิ่ปุมแตกไม่ไปคิดกับเรื่องราวที่มาสัมผัสให้รู้เฉยเฉยมันก็จะพอที่จะรักษาอวบเอกขาไว้ได้แต่ถ้าเกิดเผยสติเมื่อไหร่มันมีช่องว่างเนียมัน ความโลภความโกรธความหลงมันก็เข้ามาแทรกได้ทันทีนั่นมันก็จะทำให้ใจรนอนขึ้นมาวิธีที่จะทําให้มันหายไปยัง่งทาวอนรักษาอุเนะิกขาได้หยัง่งทาวรก็คือต้องกำจัดความโลภความโกรธความหนื่อยพยายามามันโผล่ขึ้นมาความโลภเราก็จะโลภไปกับเรื่องโลภสิ่นเกิดเรื่องราบรื่นกระเซ็น อยากได้โน่นอากได้นี่น อ, ยนอยากดูอยากฟังอยากกินอย่างหนึ่งอยากอะไรอันนี้ก็ต้องใช้ปัญญามาประกราศมานบอกว่าจําเป็นไม่ได้ต้องต้องต้องกินต้องดูต้องฟังอะไรพวกนี้หรือไม่ถ้าจําเป็นก็ต้องก็ทําไปเท่านี้จําเป็นเรื่องถอาหารถึงเวลาต้องกิน้็กินไปแต่ถ้ายังไม่ถึงเวลาอาหารจะกินอยากจะกินนี้ก็ถือว่าเป็นกินเลสก็ต้องหยุดมันไม่ติน ที่จะทาให้เราไม่กินนะก็คือเราต้องลองสภาพของสิ่งที่เราอยากได้ว่ามันไม่น่ากิดถ้าเป็นอาหารก็ใหา้นึกถึงพวกอเวลาที่อาจเจียนออกมาในเวลาอยู่ในปากเคี่ยวแล้วคายออกมาหรือเวลาถ่ายออกมาวันนี้ก็เป็นอาหารนะ่ไหมถ้าเน้นถึงอาหารเรานี้ความอยากกินป็นก็หายไปมันก็หยุดความหิวความอยากกินอาหารได้ ก็รักษาให้ใจเป็นเบียร์ขาวเฉยๆได้ต่อไปไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นก็จะพิจารณาว่ามันเป็นของไม่เที่ยมหรูอ้อยากจะได้แฟนอยู่คนเดียวเลิกเหงาทีไ่ได้แฟนมาเราจะมีความสุขแต่แฟนเขจะให้ความสุข ต, ตลอดเวลาหรือเปล่าเดี๋ยวมีแวงบางเวลาเขาอาจจะเปลี่ยนไปเขาอาจจะกดเราขึ้นมาไม่พอใจเราขึ้นมา เขาก็จะพูดไม่ดีใส่เราความสุขที่เราหวังจะได้จากเขาก็การเป็นความทุกข์ขึ้นมาบางคนได้แฟนมาเหมือนได้แม่มาคนแต่ฟนมาคอยสั่งคอยว่าคอยบอกมันกทีทุกเวลาอันนี้ก็น้องมองเห็นว่ามทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเป็นเหรียญสองด้านมันมีสุขแล้วมันก็มีทุกข์ เพรา่าของทุกอย่างมันไม่มันไม่แน่นอนมันคลิกไปคลิกมามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้มันจะเลยมันเสื่อมได้นี่จะหน้าตาเราควบคุมบังคับมันไม่ได้แสดงว่าสิ่งที่เราอยากได้มาให้ความสุขเรามันมันไม่ได้เป็นความสุขที่ถาวรนะครับที่ไม่แน่นอนเดี๋ยวมันดีกนดีมันก็กลายเป็นเปลี่ยนไปมันก็กลายเป็นความทุกข์ ถ้าเห็นทุกในสิ่งที่เราอยากได้ด้วยปัญญา ม, มันก็จะหยุดความอยากความเพราะมีความอยากหยุดปัญจัยก็กลับมาสนุบเป็นโอเมรก้าเหมือนเดิม <c oughs> แล้วมันจะสงบไปแต่งตลอดถ้ามันหยุดความอยากอันไหนได้นะมันก็จะไม่กลับไม่กลับไปอยากอีกเพราะมันจะเห็นเห็นเห็นทุกข์ในสิ่งที่เราอยากเห็นเร้่องนิจจ์เห็นเรื่หน้าตาอันนี้คือการ ทำให้อุเบกขาเป็นอุเบกขาแบบขาวรโดยที่ไม่ต้องกลับเข้าไปในสมาธิถ้ากำจัดความอยากได้หมดที่เลได้หมดมันก็เป็นนิพพานขึ้นมานิพพานก็คือความอุเบกขาที่เท้าวรนี้อข้าใจนะครับเข้าใจมากขึ้นเลยครับอาจารย์กลับเรบพระคุณกลับอาจารย์ดนเวลาปฏิบัติก็ต้องดูว่า เรามีกําลังคิดทำปัญญานด้ไหมไมิเขาทางปัญญามิเขาเป็นทุกข์ได้ไหมเห็นอะไรแล้วลกายมันจะหลอกที่เหลือมันจะหลอกเราไปสุดอย่างตอนที่พวกที่เขไปหาสี่มันก็เรียเป็นสุขกันใะช่นหมเพราะได้เป็นสสได้เป็นนายงได้เป็นรัฐบาลได้มีอํานาจได้สัมการอะไรต่างๆแต่มันตลอดไปหรือเปล่ามันก็แค่ ไม่รู้กี่เดือนกี่ปีก็ไม่รู้นดีค ด, คดีพอยุบสภาขึ้นไปก็จบพอปฏิบัติขึ้นมาก็จบ <c oughs> ความสุขที่ได้ก็กลายกป็นทุกข์ไปอันนี้ทุกอย่างที่เราคิดว่าเป็นความสุขเราให้ดีมองว่ามันเที่ยงไม่เที่ยงถามตัวอว่ามันเที่ยงไม่เที่ยงแล้วเราควบคุมมันได้ไหมให้มันเที่ยงให้มันให้ความสุขกับ เราตลอดเวลาได้ไม่มีอะไรโลกนี้ที่ย้ายความสุขเได้ตลอดเวลามันดีันดีความสุขนั้นก็จะก่ายหายไปกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาแทนที่อันนี้คือปัญญาเห็นใจรักในทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเห็นใจรับมันก็จะหยุดความอย่างได้ไม่ต้องการอะไรเพราะสิ่งที่เราต้องการมันไม่ได้เป็นความสุขที่อยากที่เราคิดมันมีความทุกข์ซ่อนอยู่อยางของเครื่อน้ําตาเนี่ย อ่ปัญญาคือไตรลักษณ์และการิยาสั ส, สีคือความทุกข์ความทุกข์ก็คือความไม่เป็นอุเบกขานี่เกิจากความอยากต้องหยุดความอยากแล้วอุเบกขาก็จะกลับมาบโอเคนะบ๊อบขคุณครับอาจารย์นํานมาปฏิบัตินะครับน้องนําปฏบาบิบัติครับอาจารย์ ไปที่ขั้นต่อไปคุณศาสต ร, า, รจ า, า, า, า, าจารย์จากชัยนาทฟังคำครคบอาจารย์ปฏิบัติทุกวั น, นะคะ่ะทดสอบเปอนอยู่างไรบ้ทดสอบอ่าพึ่งคุยกันเหมือนเดิ ม, มแต่ก็ถามเพราะว่าช่วงนี้แบบคนมาเลงเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะอย่างไงลูกก็บอกว่าก็กไ็ไม่ต้องไม่ต้องอะไรก็คือไม่ไม่ทําคิวโมเหมือนเดิม เป็นก้อเป็นนะ่ไม เ, <อ>เป็นข้อเป็นใช่ค่ะมันท่ากัถ้าเทียบกันแล้วค่ะสามารถว่าปฏิบัติไม่ไมช้าก็เร็วบางก็ ต, ต้องตายอยู่ดี ร, กรกดักษาถ้ไม่รักษาก็ต้องตายอย่างนี้ถ้ารักษาธรมานก็บไม่รักษาถึงอยากไปรักษาไันทีเดียวใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างก็มไม่ไม่มีภลระอะไรแล้วก็ดูแล้วอ่ะถ้าสมมุติว่านั่งจะลําบากแฟนอีกก็เลยมันก็ อัตติอั ต, ตนโนะชมกับใช้สมาธิใช้ปัญญาสู้กับเวทานานดิบานะทุกเวทานาค่ะค่ะอ่ า, า, างั้นมาฟังคำข้าราชการโอเคไปที่กรทมอาจารย์พงศ์พิไลเอิคอ่ า, า ก, กับรัชการพระจานทร์ค่ะเป็นยังไง อาจารย์สบายดีนะคะเดินเลึจับมออาารย์อาจารย์เดิไลฟ์คลิปแล้วไม่ดีท่จะแล้วไมายังไม่ได้เข้ามานะเข้ามาเข้ามาในไลน์แต่ว่าเออไม่เข้าไม่ถึงคิวอ่าไม่ถึงคิวแล้วเลยค่ะอานนี้คนเยอะต้องเรียเข้ามาจอดจอคิวไว้ก่อนเาคิวไว้ห่อเมื่อวันี่แล้วคนยังได้เข้านะฮะดึกหน่อยก็ยังโอเคค่ะ อาจารย์ทํามีอยากมีคําถามจะคําถามหนึ่งเมื่อคืนนี้ยนะคะที่อุเบกขาเขาคุยกับพระอาจารย์เรื่องอุเบกขาจะมาแล้วก็อ e ีคัลนอมิตี้คือพยายามจะทำความเข้าใจกับศัพท์ภาษาอังกฤษซึ่งพื่ออายจารย์บอกว่ามันไม่ใช่อันเดียวกันใช่หมครับคืเขาพูดถึงไม่สุขไม่ทุกข์ในเวทนาเวทนามีสานเนี่ย ไม่สุขเวทนามีทุกขเวทนานแล้วก็ไม่สุขไม่ทุกขเวทนา<ช>แล้วก็คิดว่าไม่สุขไม่ทุกขเวทนาคืออุเบกขาอ อ, อมันไม่ใช่อุเบกขาคือใจที่ปราศ จ, จากความรักชังโกรธหลงเวลาอยู่ในฌานเวลาเข้าสมาธิอารมณ์รักชังโกรธหลงจะหายไปจากจิตใจชั่วคร า, าวถ้ามกำลังกองสติทําให้รักชังโกรธหลงไม่สามารถทําหน้าที่ได้ มันก็แหลหายไปแต่พอออกจากสมาธิมาปั๊บมันก็เริ่มออกมาทำชามโกนส่วนเวทนานี่มันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามสภาพของที่มากระทบร่างกายใช่ไหมเวลาหิวข้าวมันก็ทุกขเวทนาเวลาได้กินข้าวก็เป็นสุขเวทนาเวลาที่ไม่หิวไม่อิ่มก็เป็นไม่สุขไม่ทุกขเวทนามันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา แล้วแต่อะไรมาสัมผัสกับทางร่างกายอาจจะเป็นเสียงก็ได้เสียงดังออทุกข์ก็มาเสียงเสียงที่ชอบเสียงที่มาไพราะก็เป็นสุขแล้วเสียงที่กำกามมันก็นไม่ไม่ถูกต้งรูปเสียงกิจแล้วโทสะมันก็มาสามรูปแบบมันก็มาสันมันมาสามารถสร้างให้เกิดเวทนาสามชนิดได้ แล้วจะเกิดเราปัญ<ต>หาเราคือเราอยากไปรัาช่งางมันนพราะเราไปชอบแล้วเราก็อยากได้เกิดกิเลสอยากให้เสียงนี้มันอยากได้ยินแต่เสียงนี้พ อ, มอมไม่ได้ยินเสียงนี้ก็เสียใจแล้วก่อขึ้นมาเวลาได้ยินเสียงที่เราไม่ชอบก็อยากไปล่างเกียดมันหันหันรับมันไว้อยู่เฉยๆคือใช้อุเบกขารับทุกอย่างใช้อุเบกขารับภาษาเวทนา สุขก็อบเบกขาสุขก็อย่าไปดีใจทุกข์ก็อย่าไปเสียใจไม่สุขไม่ทุกข์ก็ไม่ต้องไปดิ่นรนไม่ต้องไปอยากให้มันสุขเวลาบางทีไม่สุขไม่ทุกข์ก็อยากให้มันสุขใช่ไหมอยู่บ้านมันก็ไม่สุขไม่ทุกข์น่าจะไปหาอะไรทำให้มันสุขขึ้นมาที่อยะหาอะไรกินหาอะไรดูอย่านี้ก็ไปหาสุขก็วิทนาเพราะไม่สุขไม่ไม่ทุกข์วทนามันมัน มันไม่มีรสชาติเหมือนอาหาระาหารจืดเนีถ้าเราตามพันนะเราตามเราตามพันบ้างบางหลายโอกาสถ้าเพื่อนเราเฉยๆอยู่บ้านเราก็เฉยๆแต่เพื่อนเราคิดว่าเอออยู่บ้านมันก็เงียบสงบสบายดีมันก็คือไม่ไม่เฉยแล้วใช่ไหมค่ะถ้ามันเกิดความอยากขึ้นมาเมื่อไหร่มันก็แสดงว่าไม่เฉย อยากให้มันหายไปแล้วอยากให้ได้สิ่งนั้นมาทดแทนสิ่งนี้แต่ไม่เป็ความอยากถ้าเฉเฉมันอยู่กับมันไปก็ไม่ก็ไม่มีปัญหาเลยอืม่อยให้มันเปลี่ยนไปของมันึ่งไม่สุขไม่ทุกข์เดียวมันก็หายไปแล้วทุกข์ขึ้นมาเดี๋ยวทุกข์ายไปสุขก็เข้ามาเลยเปลี่ยนไปตามวาระเราลองดูเที่ทําให้มันเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็หายไปเช่นเสียงอังคารทึกบคลคั่งบ้านเขา เดี๋ยวเดี๋ยวตั้มมันเขาก็เลิกกันหายไปะตามเงียบความสงบก็เข้าม า, าทุกข์ไปทุนน า, ท, าที่เกิดอยากเสียงแล้วถ้าเขาคล้องก็หายไปข อ, อความเงียบกลับเข้ามาสุขก็ไ ม, ามา่ทุนาที่ได้อยากความเงียบก็กลับมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเราไม่ต้องไปทำไํำเลยถ้าไปทําน้ววุ่นวายไปบอกเข้าทั้งบ้ า, าพี่เบาๆหน่อยนี่ก็ทะเลาะกันอีกไปไม่เลือกไปลาวให้ไหม ไว้หูไปเลยนะไม่ได้ยินไปเลย เ, เป็นหูเกิดใช้อุปเบบขากับสภาพทุกสภาพความเงียบก็อย่าไปอย่าไปเยียดไปติดมันเออย่าไปอยากให้มันเงียบไปตลอดเดี๋ยวมันก็มีเรื่องมาทำให้มันหายไป เ, เองเดี๋ยวก็มีเรื่องอื่นขึ้นมาก็นะฝนตกเสียงดังฟ้าผ่าขึ้นมาไมได้ชอบก็ไม่ได้้มาฝนตกก็กไม่ชอบช้ำก็ไม่ได้ไม่ให้รักช้ำกลัวหรอกมันพูดยังไงไม่ให้กลัว กลวก็ไม่ได้เราไม่ว่ามันเป็นเราของเราก็ไม่ได้เดี๋ยวมันหายไปอะเราต้องวางวางอุเบธะวางเฉยที่สุดเออวางเฉยเฉยเฉยอะไรจะมาก็มาอยไรจะไปก็ไปอยู่กับมันรั่งได้ทุกรูปแบบยังไงเลยแต่เรายังเราอยู่บ้านเงี้ยเราก็เราชอบทําขนมอย่าเงี้ยถือว่าเป็นอะไรไหมคะเราก็แบบทำขนมไม่ตื่นใจมันต้องมีเหตุมันต้องมีเหตุทําทขนมทําเพื่อไปเพื่ออะไรใช่ไหม ชอบทำยังหาคนทำได้ก็ชอบทำทเป็นกาวนั่งสมาธิชาวนั่งสมาธิไม่เป็นกิเลสเพราะมันเป็นการฆ่ากิเลสแต่เรารู้ว่าเราไม่รบกวนใครมาทำก็เราทำเสร็จแล้วเราได้กินขนมมากิเลสมันก็ชอบกินเดี๋ยวทำเดี๋ยวทาเป็นจุงหว ชอบทำคแล้วก็ชอบกินด้วยชอบทำเสร็จก็กินไ้ต้องชิมหน่อยชิมชิมนิดหน่อยก็แล้ e อีก o นอมิต m มันคืออะไรอะเอศับภาษาอังกฤษนะคะอีกคนหนึ่งก็แน่แหละก็เป็นใจเฉยก็เป็นการไม่มีอารมณ์อะน่การกาต้องไปเปิดไปเปิดเด็กดูเลยหละเราก็ไม่มั่นใจว่า ก็มีหนังสือภาษาอังกฤษอยู่ก็แบบงงงับสนนี่ก็ไปในมือถือเขียนเอกอนิมิต y ขึ้นไปมันก็มันจะเยอะกเนี่ยก็คือเป็นกลางเนี่ยเป็นกลางเหมือนอ่าเ็เลยประเภทนี้ก็เห็นเวลาฟังภาคภาษาอังกฤษก็จะมีคนสนทนาในเรื่องนี้อยู่เรื่อยๆอ่ายอ่าะอนนี้มันเป็นเป้าหมายของการปฏิบัน ส่วนยาดของการส่วนญอดของป้าหมายว่าจะทําใจให้เป็นการทำใจให้ปล่อยวางทุกอย่างไม่รับไม่ชั่งไม่โกงไม่หลงทุกก็จะไม่มีพอรับชั่งโกงหลงเกิดขึ้นมาทุกก็จะตามมาเพราะพยายามปฏิบัติแล้วก็วิ่งวิ่งตามให้ทันสิ่งที่มันเกิดขึ้นเ น, นี่ยนะเราก็ใหมันให้มันมดับไปอย่างเร็วที่สุดบางทีก็ใช้ความเงียบเป็นตัวตัวตกําหนด ระวังให้ตัวที่มันไม่คาดฝันมันมาเนี่ยตัวนั้นมันจะทำให้เราไปเจอเลแล้วก็รับรับไม่รับไม่ทันก็ได้ทําไมไ ม, ไม่ซ้อมไว้ก่อนไม่เตรียมมันวางแผนไว้ก่อนทํากันบ้านไว้ก่อน<ช>ต้องสมมติเหตุการณ์ว่าเมื่อไอ้นี่เกิดขึ้นเราจะทำยังไงเมือไอนี่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงนั่งไปปฏิบัติทางอาจารย์กับพวกคุณ อ่าถึง <Okay. S 1> อันท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวจะไปที่ท่านึ่งนอ่าคนนคนรอภาษนาจากคอตมอร์สำนักานมาช ก, การค่ะพระอาจารย์ค่ะก็วันนี้มีมาขออนุ ญ, ญาตนีคประชุมกลับมาก็รู้สึกว่าในที่ประชุมก็รู้สึกดีค่ะพระอาจารย์เพราะว่าตอนนี้เข้าใจแล้วไม่มจัดการกับบาลัยแต่ว่าทําที่ดีที่สุดค่ะพระอาจารย์รู้สึกดีค่ะสงบ เป็นแจ๋วเป็นแจ๋วอย่าไปเป็นหัวหน้าคอยรอรับคําสั่งรับเงินเขามีวติไงก็ทําตามวัติเข้าไปไม่ต้องไปเสนอหน้าไม่ต้องไปโอดเก่งโอ๋ดีเน่ะเหนื่อยบเปล่าวใจเปล่าได้หน้าได้ตาหน่อยนะเขายองย่องไม่เกลียดเหนื่อยต้องแบบเข้าใจเลยค่ะพระอาจารย์ต้องขอบพระคุณพระอันนี้ที่ติดอยู่เข้าใจมากพระอาจารย์เออไม่ต้องเสนอหน้าชอบมากเลยคระอาจารย์เข้าแล้ว พระอาจารย์คะแล้วก็จะขอกับขออนุญาตพระอาจารย์นะคะคือเพื่อนเพื่อนที่เคยพาไปหาพระอาจารย์นะคะที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายตอนนี้ก็อยู่โรงพยาบาลแล้วก็คือสรุปเขาก็ไม่ได้ไปปฏิบัติเพราะว่าจากวันนั้นมาก็ก็ที่พระอาจารย์เทศเขา ก, เขาก็เขาก็เอาหนังสือพระอาจารย์ไปอ่านแล้วก็ปฏิบัติตามนะคะตอนนี้เขาก็ไม่ได้เขาบอกเขาไม่ได้กลัวตายนะแต่ว่ามันยังมีความเจ็บเขาก็อยากจะขอ ขอเรียนพระอาจารย์ว่าอในงานศพเขาอะ่ะเขาอยากจะขอพิมพ์หนังสือท่านรู้ได้ไหมคะเพราะวันนั้นเขาไปเอาท่านรู้ที่พระอาจารย์แล้วเขาชอบอ่ะได้ได้อันอนุญาตหนังสือเราทุกเรื่องไม่ไม่เพีแต่ว่า ไ, ไม่ให้ออกไปขายนะไม่ให้ออกไปทําำถ้าแนนจากฟรีออ ก, ก, ก, ก, ก, ก, ก, กไปได้เลยไม่ต้องขออนุญาตเขาเขาเตรียมงานของเขาเองนะคะเขาก็สั่งไว้ทุกอย่างว่าใ ห, ให้ให้ให้ให้ตัวเองเนี่ยเป็นคนช่วยดูแลเรื่องของหนังสือของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กว่าครอ คือรู้สึกว่าต้องขอบคุณพระอาจารย์นะคะคือเขาเขาสามารถที่จะแบบว่าเออแบบยอมรับแล้วก็ไ ม, ไม่ไม่ยอมรับเรื่องของความตายนะพระอาจารย์แต่ความเจ็บนี่อาจจะยังยังไม่ร้อยเอร์เซ็นต์แความตายเขาก็เขาก็ยอมรับได้ได้ได้เยอะค่ะยอมรับเขาฝึกสมาธิมากๆยอมรับว่าความเจ็บมันมีสติมากมากๆค่ะพอมันเจ็บมากๆแล้วเขาก็บอกว่ามันมันมาฝึกมาหลังๆถ้ามันเจ็บมากๆนี่ให้ทําอะไรคะพระอาจารย์คือมันเจ็บมากมนคือม얼ฟินอ่ะมันเจอม얼ฟินมันก็ไม่มีสติ พยายามพุโทโธพุโทโธไปในใจนะะจะได้ม่บอกเขา<ม>เขาก็กเป็นพุโทโธนะคะพระอาจารย์<ม>ตอนนี้เป็นพุโทโธเลย<ม><ม>ก็รู้สึกว่าตอนนี้ตัวเองสำตัวเองก็จะเห็นเลยว่าเออแบบคือมันมันเห็นรอบตัวแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออเราอยากจะเรารู้สึกว่าเอออย่างน้อยเขาก็เขาก็รู้สึกว่าเราช่วยสพอร์ตใจเขาได้ก็รู้สึกก็โอเคอะพระอาจารย์ต้องขอขอบคุณพระอาจารย์ะค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งพระอาจารย์คือว่าหลวงปู่บุญมีท่านมาที่ มากรุงเทพอะแล้วไปงานเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าจะไปวัดท่านเนี่ยก็คือจะไม่เจอท่านก็เลยขออนุญาตพระอาจารย์ว่ายังไม่ไปนะพระอาจารย์ว่าถ้ไปก็คือไม่เจอหลวงปู่หลวงปู่สวนทางกันก็เลยเดี๋ยวหาเวลาไปอีกเดือนห้าพระอาจารย์ทํานมาทำไมต้องไปหาท่านด้วยเราไปปฏิบัติของเราอ๋อถ้าเหมือนก็ปฏิบัติไกลๆได้ไหมพระอาจารย์อย่างเช่นวัดพระอาจารย์ปัตตานีเพราะแต่แล้วแต่แล้วแต่ระวังที่เลนมันหลอกเราเนี่ยมันให้มันเราค่านปานประการพุ่ง ทำไม่ต้องไปเยียมกับท่านทำไมนะท่านก็ไม่ได้มาสอนเราไม่ใช่นะนะเราไม่ต้องมาเจอท่านเลยเราเอาไปละเราปฏิบัติเองไม่ได้เะได้นะหรือว่าจะท่านท่านปฏิบัติเองไม่แด้ต้องมีท่านมาคอยอ่าเราเราไปรอท่านทําไมนะอ๋อเห็นหว่าแบบไปไกลแล้วก็ไ ด, อดอ้อย่างนั้นเราก็หาหาที่ปฏิบัติของเราได้แต่ว่าไม่ต้องไกลาดันก็ได้ใช่ไหมพระอาจารย์เพราะจริงๆริงชาวบ้าน ก็แล้วแต่ก็ขอให้ปฏิบัติเท่านั้นน่ะเป้าหมายก็คือไปอยู่ที่ไหนก็ได้ขอให้ไปปฏิบัติอย่างนั้นเดี๋ยวหาที่ได้พระอาจารย์ประช้าอรี่เงี้ยได้เพราะที่บ้านจริงปฏิบัติแต่ที่บ้านก็สงบตอนนี้เหลืออยู่สองคนพราอาจารย์มีหลายห้องเลยสามารถปฏิบัติได้สบายแล้วข้างล่างก็เดินทรงกลมได้แต่ว่าก็จะเป็นหาที่นา่าโลที่พระอาจารย์บอกกันแล้วเดี๋ยวรอท่านกลับแล้วให้ไปใช่ใช<ๆ>ไม่ได้ผัดมันพระอาจารย์ตั้งใจเท่า มันไม่เกี่ยวว่าท่านเนี่ยเราไปว่าที่ท่านท่านอยู่แล้วไม่อยู่แล้วก็ปฏิบัติของเราอยู่ดีนอกจากว่าต้องมีท่านคอยเนะยคอยบอกไม่มีท่านเราปฏิบัติไม่ได้ก็ต้องรอท่านค่ะอ๋อได้อย่างนั้นเดี๋ยวจัดวันเพราะตอนนี้ไปไปได้แค่เม่อไห่วันเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะจัดให้มันไปได้เยอะขึ้นแล้วเดี๋ยวไปหาไปวัดท่านเลยค่ะพระอาจารย์คือจริงๆก็ไม่ได้ติดไม่ได้ติดที่ว่าต้องมีท่านนะคะไม่ได้ติดนะพระอาจารย์แต่มันก็ว่าเออคราวนี้มันแบบจริงๆจะไปสองอาทิตย์แล้วคราวนี้แบบมัััันนนนมมมมตตติวววว่่่าาาาุกกกกรรร์็็ีพะออจยยเเลลหืไ เนี่ยบนสุกก็จะไปตรวจตาอีกแล้วพระอาจารย์ก็ไม่กลัวแล้วค่ะคราวนี้แสงเสริมอะไรก็คิดว่าเดี๋ยวเขาที่แล้วก็ผ่านได้แล้วคราวนี้ก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไร okay, นะจ๊ะพระอาจารย์หมดแล้วนะหมดแล้วค่ะพระอาจารย์ขอขอบคุณค่ะอ่าดวงยิง้มอาจารย์มีกำลังใสองกลับสุภาษิตการพระอาจารย์เจ้าค่ะดีใจมากเลยได้คุยกับพระอาจารย์สักทีเจ้าค่ะก็ระลึกถึงพระอาจารย์ตลอดเวลานะคะ พระอาจารย์อยู่ในดวงจิตของของโยมหิตลอดเวลาเจ้าค่ะพ<ด>ระอาจารย์ค่ะเออโยมโยมคิดว่าการทำสมาธิมีความสมคัญแล้วก็ช่วยเหลือเราได้เยอะเลยค่ะพระอาจารย์ mm hmm. อย่างตอนที่โยมนั่งนั่ง นั่งสมาธิคือโยมสวดสวดมนต์เสร็จใช่ไหมคะแล้วช่วงหลังโยมจะมีความสึกว่าโยมจะบ้านหมุนบ่อยอะเช่าค่ะแล้วพอโยมสวดมนต์เสร็จแล้วโยมกําลังจะวางจะวางจะวางหนังสือสวดมนต์ข้างหน้าใช่ไหมเจ้าค่ะแล้วพอพอมันมันมันจะรู้สึกว่ามันจะบู๊บแบบพระอาจารย์มันจะบูบแล้วมันก็จะแบบขึ้นไส้แล้วแล้วก็จะแบบบ้านบ้านหมุนนะคะพระอาจารย์โยมก็คิดว่าโอเคเออจะ จ่าหมุนก็คือยอมอะค่ะเพราะว่ายมพอหลังจากยมสวดมนต์เสร็จยมไม่ต้องทำสมาธิต่อยมก็ตั้งจิตว่าถ้าจะล้มก็ล้มก็ล้มไปเลยตรงนี้ก็คือใกล้ๆใช่ไหมคะยมก็กลับมาทำทำทำสมาธิค่ ะ, คะแล้วก็รู้รู้ลมหายใจพุโทโธไปเรื่อยๆแล้วก็ดูลมเข้าดูลมออกค่ะ แล้วในขณะที่มันก็ยังขึ้นไส้พระอาจารย์มันก็ขึ้นไสแต่แต่โยมแต่โยมก็ก็ทำทำใจนิ่งๆอ่ะคะ่ะแล้วก็อยู่กับพุโทโธพุโทโธแล้วก็ดูลมตลอดแล้วสักพักหนึ่งโยมก็มีความรู้สึกว่าโยมมีความรู้สึกถึงว่าเหงือ่อพระอาจารย์แบบออกออ ก, ออกทั่วไปหมดเลยะคะ่ะเนื่งแต่ศีรษะลงมาแบบมันมันมั น, ม, นมันออกเยอะมากพระอาจารย์โยมก็ จากความรู้สึกนั่นว่าโอ้ใจหยุดก็หยุดไปมันจะออกออกไปยงก็ยังพูดโถอะพูดเถอสักพักนึงอ่ะพระอาจารย์จับที่เหงื่อมันออกเต็มไปหมดเลยพระอาจารย์เหงื่อมันหายมันมันมันหายสนิทเลยพระอาจารย์แล้วก็อาการที่เราขึ้นไส้แล้วเราเวียนหัวแบบมือนมืนจะล้มอะค่ะมันก็หายไปหมดเลยพระอาจารย์แล้วยงก็กลับมามีสัติแล้วยงก็นั่งนั่งสมาธิต่อได้ก็อยู่ในความสงบต่อคือการมันหายไปเลยค่ะพระอาจารย์ยงว่าดีมากๆค่ะมันช่วยได้เยอะเลยเจ้าค่ะ แด่ถ้าทำถี่ให้สงบได้แลงการต่างมันก็จะหายไปหือจากที่เราขื่นไสเราทุก อ, อย่างช่วยได้หมดช่วยช่วยได้ดีมากๆค่ะอาจารย์แต่ว่าหลังจากนั้นโยมก็ก็ค่อยคอยดีขึ้นนะคะก็พักผ่อนให้พอแล้วก็หลังหลังก็อาการวูบ ก, ก็ลดลงค่ะอาจารย์ ช่วงนี้เดินทางบ่อยค่ะพระอาจารย์ไปสร้างบ้านที่หัวหิมเจ้าค่ะหาเรื่องพระอาจารย<อ>์ค่ะอย่างที่พระอาจารย์บอกอ่ะทำเพราะเราไปสร้างอะไรที่มันเยอะขึ้นแล้วเวลาของเราก็จะลดลดน้อยลงพระอาจารย์มันก็จะไปเกี่ยการดูแลเสอะมากกว่าอย่างที่พักน้อยนึ่ง่าพักน้อยสั่นโดดไปนะทําไปแล้วอ่ะพระอาจารย์พอทําไปแล้วเราก็เดินมาให้ถึงที่สุดแล้วก็ยมคิดว่ายมจะทําเป็นเกษตรอินทรีย์เพราะว่าเดี๋ยวเนื้คนเป็นมะเร็งเยอะพระอาจารย์ มันทุกอย่างมันสารเคมีหมดเลยอะค่ะยมก็ตั้งใจไว้ว่าทุกอย่างยมจะไม่หวังผลกำไรยมจะใช้เกษตรอินทรีย์คือจะจะมีก็มีจะเสียก็เสียจะอะไรก็คือจะอยู่กับธรรมชาตินะคะพระอาจารย์แล้วถ้าแล้วถ้าผลผลิตได้มาเราก็จัดจ่ายพี่น้องแจกจ่ายเพื่อนฝูงที่ที่เขาต้องการใช่ไหะโอเคค่ะพระอาจารย์เวลาไปภาวนาดีกว่าค่ะพระอาจารย์ทำครบคู่ค่ะพระอาจารย์เพราะมันลงมือไปแล้วอะเจ้า ค่ะโยมตอนนี้ยมยมยมยมก็ปฏิบัติทุกวันเจ้าค่ะยมก็เจริญสติทุกวันค่ะแล้วก็พอมีเวลาโยมก็สวดมนต์ทำสมาธิตลอดเจ้ค่ะค่ะนวักการค่ะพระอาจารย์ค่ะอินเดชยาพะคุณแม่นวักการ่นสักการค่ะพระอาจารย์านาลที่วมีอะไรหวันนี้พระอาจารย์ค่ ตอนต้นเดือนนะคะที่หนูบอกว่าจะไปค่ะเดี๋ยวคุณแม่อาจจะไปคนเดียวนะคะพระอาจารย์แล้วหนูจะใช้บ้านเป็นเป็นวัดแทนนะคะเพราะว่าเพราะว่าจะมีมีธุระอีกสองสมวันมันไม่ครบหนูก็เลยเปลี่ยนเป็นปฏิบัติที่บ้านค่ะแล้วหนูค่อยเข้าซุมอ่านยากมากเรามีการพลาพลาดจากกันเป็นธรรมดาอืก็ติดกันเหมือนปลาท่องโกะค่ะพระอาจารย์ แต่ว่าบางทีหนูพยายามเลิกพวกน้ําหอมมาค่ะพระอาจารย์ไม่พยายามฉีดแล้วเพราะว่าติดมีอย่างเดียวช่วงเนี้ยค่ะมันชอบถ้าเป็นสินแปดนะคะชอบน้ําหอมพอไม่ฉีดก็ฝันถึงเขาอะค่ะพระอาจารย์เมื่อไรฝันก็ฝันไปเลยอย่าฉีดแล้วกันมันยังติดอยู่มันก็ฝันถึงไหนเดี๋ยวต่อไปเลิกมันก็มันตั้ระยะหนึ่งพอเลิกใช้มันมันก็ไม่ฝันถึงแล้ มันก็ยั ง, งโอยๆมันยังเหมนถึง ม, มันยังกินเหมือนได้กินเลยค่ะพระอาจารย์ในฝันก็ยังไม่ได้เอาจริงขอให้กิ่นเทพก็ยังดีนะค่ะได้ค่ะจะพยายามผันเรื่องนี้ยากมาก่ะมันไม่เป็นไรหรอกขอให้ขอให้อยากทำมาแล้ว่ันฝันมันเป็นเรื่องผลของวิบากที่เราทำมาพะอารับจะพยายาม อม uh, มีเวลาว่างคราวนี้ก็ติดกว่าวันก็ได้ปฏิบัติค่ะเดี๋ยวจะเข้าซูมค่ะจะพยายามให้เต็มที่โอเคคแม่มีอะไรไหมค่ะคือตช่วงนี้โยมพยายามเดินเดินให้มากอะคะ่ะอาจารย์ เ, ออเดินเดินเดินแล้วก็มานั่งพอมานั่งสมาธิเนี่ยมันจะเหมือนกับอาการที่ว่าเจ็บมันจะไม่แทบจะไม่ปรากฏอะคะ่ะ เรานั่งต่อไปได้ค่ะแล้วก็ตอนที่เดินเนี่ยบางทีมันฟุ้งใช่ไหมคะฟุ้งพยายามไม่ไม่คิดก็ยอมเลยเอาภาพจําค่ะภาพจําของเจดีพุทธคยาแล้วก็ที่เรามองผ่านต้นโพค่ะเอามามไว้ในใจแบบว่าไม่ส่งออกนอกนะคะพยายามเก็บเข้ามาในใจแล้วก็เดินจงกรมยมรู้สึกว่ามันมันดีมันได้ผลตรงที่ว่าเราไม่ไปไหนแต่พยายามน้อมเข้ามาในใจค่ะเดินเดินเดินจนมันรู้สึกว่าเแบบว่า เดินเป็นอัตโนมัติมันไม่รู้สึกว่าจะหยุดเดินมันเดินไปเรื่อยเดินเ ร, เรื่อยๆหลายๆรอบสนามอะค่ะเข mm hmm. รู้สึกจงกระทถ่งมันมืดมากแล้วก็มีคนมาโยมก็เลยถอยกลับมาค่ะรู้สึกว่าพอเราใช้วิธีการดึงภาพภาพจําแบบนี้ใช้ได้ใช่ไหมคะใช่วิธีไหนที่ทําให้เราไม่คิดก็แล้วกัน mm hmm. ให้เราใให้เรานิ่ไม่เปลี่ยนแปลก็เลยว่าพอพอรู้สึกว่าเฮ้ยดีจังเลยเอ่ะกลัวว่าเดี๋ยวจะกลายไปเป็น สุขเวทนาอะไรประมาณนั้นอีกนะไม่เป็นไรสุขแบบนี้เป็นสุขของการปฏิบัติธรมไม่เสียหายยไงยมใช้ภาพจำที่ว่าเรานั่งใต้ต้นโพแล้วมองขึ้นไปซึงใบโพมันไม่มีเป็นแค่กิ่งกา้านสาขาแล้วก็เห็นยอดเอาเข้ามาไว้ในใจเพราะว่าอาจารย์บอกว่าอย่าส่งออกนอกยมก็เลยพยายาม <I know. S 2> ดึงเข้ามาไว้ในใจแล้วก็เ ด, เดินเดินเดินได้เยอะอยู่ค่ะรู้สึก <I know. S 2> ม, มีมีความตก ด, ดีค่ะอาจารย์ <I know. S 2> ค่ะ แล้วก็เดี๋ยวไปคราวนี้ไปคนเดียวบินเดียวน่าจะดีอ่าแยกกันน้องจะได้รู้วค่ะแต่ก็ยังยังยั ง, ย ง, ยยงกังวลแต่ ม, มันก็ยังมีภาระมันก็ยังห่วงมันมอยู่ได้กันไดแต่โ ย, ยมก็มีอยู่ข้อหนึ่งที่ทําให้ละล้ละลังคือแม่โยมมหาอายุเก้าสิบห้าปีตอนนี้เป็นคนไข้ติดเตียงมีภาวะเลือดออกในสมองแล้วก็ค่อยค่อยซึมลงไปเรื่อยเรื่อย แต่สำหรับโยมโยมก็ไม่ได้ไม่ได้กัวงวลตรงนั้นเพียงแต่ว่าใ น, นระยะที่เราไปปฏิบัติธรรมแล้วเกิดมีอะไรขึ้นอย่างนี้เราก็ต้องออกไปก็เกิดเสียดายอะค่ะแต่ตรงนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตั้งตติไว้แล้วอะคะ่ะถก็มีอะไรต้องทําก็ทําไม่ไปอย่าไปปลูกตัวอย่าไปปลูกแต่งมันไรมันจะไม่ด้เกิดในป่าแล้วใช่ค่ะคิดว่าคือคือโยมเพราะว่าแม่อายุเก้าสิบห้าปีแล้วอะค่ะแล้วก็ คือจำอะไรไม่ได้ตอนนี้นอนหลับอย่างเดียวแล้วว่ะค่ะก็เลยคิดว่าช่วงนี้เราไปถูกคนเก้าสิบห้าที่เก้าสิบห้าอยู่คนไม่ถึงเก้าสิบไม่คนถึงงานจะไปก่อนก็ได้ใช่ใค่ะโยมโยมไม่ได้โยมไม่ได้ประมาทเลยค่ะอาจารย์โยมโยมเตรียมของโยมโยมเตรียมรูปถ่ายโยมเตรียมเสื้อผ้าของโยมไว้พร้อมอะค่ะโยมเตรียมไว้แต่อย่าไปมั่นหมายว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แค่รู้ว่ามันต้องเกิดเมื่อไหร่มันก็เป็นเรื่องนะใช่ค่ะค่ะ นดยวโยมจะจะพยายามตั้ง<ม>ใจค่ะอาจารย์<ม>เดินทางไปคนเดียวก็ก็ดูดีค่ะอาจารย์65ปีเดินทางคนเดียวนี้ก็มันเท่มากเลยนะคะอาจารย์ดูดูจะช่วยตัวเได้ไหมสาธุค่ะขอบพระคุณอาจารย์นะคะที่ย้ำ<ม>ให้รู้สึกว่าการอุเบกขาไม่ไม่เปลี่ยนคนอื่นเปลี่ยนที่ตัวเราเองนี่คือแบบมันมันดีมากเลยค่ะอาจารย์ ก็มันง่ายอะมันเปลี่ยนมั่หนึ่งมันยากจะตายมันเปลี่ยนกันทำไมใช่ค่ะมันรู้สึกแบบมันเป็นแบบนี้นี่เองเรารู้สึกเอดีจังเลยแต่มันมันมันไม่ได้ว่าง่ายนะคะจาย์มันยังมันยังหลุดเอ้ยแล้วก็กลับมาใหม่อพอเริ่มเริ่มไปแล้วก็กลับมาใหม่จากคนที่ร้อนนะคะจารันเมื่อก่อนนี้หมายควาว่าตาต่อตาฟันต่อฟันเออนะดีจังเลยไม่รักไม่ชังไม่หลงแต่มันก็ไม่ง่ายอย่างที่ทํานะคะจาย์ แต่พยายามอยู่ทุกทุกขณะที่คิดได้ความที้เลรแล้วไม่ยอมเย็นไม่ยนดังใช่ค่ะต้องใช้สติใช้สมาธิหยุดมันค่ะขอขอบคุณอาจารย์นะคะขอบคุณค่ะที่ให้โอกาสโยมได้มาถึงจุดนี้ยมโยมมีความสุขมากไปยค่ะขอบพระคุณค่ะขอพึ่งแต่ใไปที่ชนบรีบ่วินน้ำเอ่อแม่มาตการค่ะไม่มีคําถามค่ะ โอเคไฟต่างเร่งเฉยใช่ไหมค่ะค่ะอยู่ได้ด้วยตัวเองทุกคนค่ะค่ะที่คุณสังได้บางเกกรรมธรรมสการ์ค่ะพระอาจารย์วันนี้มีหนึ่งคำถามค่ะเราจะหยุดความโลภของตัวเราได้อย่างไรคะพระอาจารย์ก็อย่าไปทาตามอยู่ดี ไม่ใยญ่จะจิ้นก็อยาไปจิ้มมันเลยถามถามว่าใครเป็นนายกันเนี่ยมันเป็นนายเราหรือเราเป็นนายมัน <dunno. S 1> ถ้าเราเป็นนายมัน<ๆ>เราก็ต้องเราก็ต้องไม่ไม่ทําตามที่มันสัง่งถ้าเราทําตามที่มันสัง่งมันก็เป็นนายเราเ้าอยากจะเป็นที่ข่ามันหรือเราหรือเราอยากจะเป็นนายมันน่ยอยากเป็นนายค่ะแล้วไม่ทําตามที่มันสัง่งเลยทีนี้ถ้าเราไม่มีกําลังเราก็ต้องฝึกสติทําใจให้ เมตสติพุโทโธพุโทโธอกกิดความโลภพุโทโธพุโทโธใส่สู้มันไปเป็นความมันจะหนความโลภไปหนึ่งเรื่องที่อยากจะทําไปอย่อางวิธีนึงก็คือใช้ปัญญาเวลายอยากได้อะไรถามว่าถ้าไม่ได้มาแล้จะตายไหมถ้าไม่ตายก็ไม่จับเป็นไม่ต้องเอ า, า, ถ, าถ้าอยากได้แล้วถ้าไม่ได้มาแล้จะต้องตายอันนี้จับเป็นก็ต้องทําเช่น ลมหายใจที่ต้องมีไหมมีครต้องมีถ้าไม่มีลมหายใจตายไหมตายครั <Okay. S 1> อันนี้ก็ต้องมีก็ต้องเป็นลมหายใจที่อ๋อไม่ต้องเป็นลมอ๋อไว้มันอ๋อไหะไม่ต้องีช่ไหม <c oughs> ไม่ลมหายใจไม่อ๋อมันก็ไม่ตายแน่ <c oughs> ใช่ไะมอะ่นี้ก็ไม่ต้องไปชื่นท้องอ๋อมามันเสียเวลาตัดไปได้ก่อนวันที่จะเกินน้ําอออย่าตามมาเนี่ย <c oughs> ค่ะอาจารย์ถ้ามันไม่จําเป็นเราไปเอามาก็แสดงว่ามันเปลี่ยนใช่ไหมแต่ถ้ามันจําเป็นมันไม่เป็นีเลยนเช่นถึงเวลาต้องกินข้าวเนี้ยมันก็ต้องกินข้าวไม่ไม่ไม่เป็นเปลี่ยแต่ถ้า e แต่ถ้าคนกินไปหยกๆ อ, อย่างอย่างเปนอิ่นเนี้ยอันนี้มันจะเป็นีเลยนค่ะอาจารย์ e ขอบพระคุณค่ะอวัสดี น, นโม สันโดนี่ชื่อสันโดร์นะครับอาจารย์วันนี้รีบเข้าครับไม่ทันได้เปลี่ยนเลยครับอาจารย์พอดีว่าเตรียมเตรียมสอบครับผมแล้วก็เฝอเอิญว่าเห็นอันไปเห็นเวลาแล้วเฮ้ยสองทุ่มแล้วรีบตามคุณยายรีบขึ้นมาครับอาจารย์ก็รีบเข้าซูมไม่เบลอไม่ได้ทําอะไรเลยครับรีบรีบเข้ามาอย่างเดียวเลยครับผมอาจารย์ครับอ <c oughs> าจารย์ก็ยังไม่เจอตะขาบครับ คุณยายเป็นยังไงบ้างคุณยายสบายดีนะสบายดนะีคือรถบรรท่ะสบายเนี่ยทำใจให้สบายขอบคุณค่ ะ, ะ, คคะไม่มีอะไรใช่ไหมยังไม่มีอะไรครับผมยังไปที่ท่านอื่นต่อนะเดี๋ยวกัอนครับพระอาจารย์รไรงานพระอาจารย์ครับไม่มีอะไ ร, ะไรคุณยายไม่มีอะไร อาจารย์ <นะ S 2> ครับผมยังไม่เจอตะขาบเลยครับผมยังยังไม่ได้ทดสอบเลยครับผมแต่ว่าอาการ32ด้ทดสอบแล้วครับผมก็มคือพระเอกรว่าเมื่อวานครับไปยืนต่อแถวซื้ออาหารครับผมแล้วก็ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นแบบว่าเด็กที่ฮอตที่สุดไอเยียร์าวนี้เราก็ อยู่ต่อแถวอยู่ข้างหลังเขาเลยยืนอยู่ข้างหลังแล้วเราก็ลองสิคนนี้อาการสามีสองมีไม่น่าเราก็ดูเข้าไปปรากฏว่ายังไม่ทันได้พิจารณาคาารับอาจารย์ปรากฏว่าโอ้พอดูเข้าไปในหน้าจริงพอยืนข้างๆกันแล้วมองเข้าไปอ่ะปรากฏว่าผิวหนังเขาคือแบบโอ้มันแบบผดอะไรสิวอะไรเต็มไปหมดเลยไม่เหมือนแบบที่เราเคยเห็นทางๆเราก็เลยแบบ อ๋อความจริงมันเป็นอย่างนี้พอเรามองห่างดูในแอปดูในอะไรเหมือนกแบบับดูในอินเทอร์เน็ตเนี่ยดูในโซเชียลอะไรเงี้ยสมัยก่อนเวลาเขาโพสต์เงี้ยเฮ้ยมันคนละเรื่องกันเลยเนี่ยตัวจริงก็มันแบบคนละอย่างเลยอนะครับอาจารย์เ้าถึงได้รู้ว่าอ่าการกับนี้สองมันมีอยู่แต่เราแค่ไม่มองแค่นั้นเองครับผมจริงๆมันก็มีอยู่ตรงนั้นเลยแต่ว่าเรา เราเพิ่งมาเห็นตรงนั้นว่าอ๋อความจริงคือใบหน้าที่เราเคยเห็นไกลๆแล้วเรามองว่าเอะก็สวยนะจริ ง, รงๆแล้วมันไม่สวยมันเต็มไปด้วยผดเต็มไปด้วยสิวเต็มไปด้วยความเหี่ยวย่นครับอาจารย์ครับผมอาจารย์แล้วก็เนี่ยทรับกา ร, บ, ร, บ, ร, บ, ร บ, บ้านที่ส่งแล้วก็เวลาที่ทำงานหรือว่า ทำกิจวัตรประจำวันก็จะพยายามไม่ไหลไปตามอารมณ์อย่างนี้ยค่ะอาจารย์แล้วก็จะอยู่พยายามถ้าพูดโธไม่ได้ก็อยู่กับสติต่ตอเ น, นื่องครับผมอาจารย์อีกเท่านี้ครับโอเคทําไปเรื่อยๆนะครับอาจารย์ขอบคุณ<า>คณรับไอเดียคนที่บวกวที่อนดาโฮ่ยูเอสเอยังไม่มีอะไรค่ะโยมได้รับฟังจากหลายๆคนทั้ง ด้านภาษาอังกฤษแล้วเพื่อภาษาไทยก็ยังเรียนรู้ไปก่อนคะ่ะเวลามีคำถามมันก็ได้คำตอบว่ามันอยู่ที่ตัวเร า, าก็เอาไปก่อนคะ่ะโอเคเอาไปเรื่อยๆศึกษาไปเรื่ อ, อยๆครับขอบคุณค่ะอ่าคุณุภธนนาจากบวรเวชชนบุรีกล่าวรรมสการ์พระอาจารย์เจ้าค่ะ ตอนนี้ก็เจอสภาวะกับน้องหมาที่บ้านที่ที่ที่อยู่ด้วยกันเนี่ยค่ะอาจารย์เขาก็อายุประมาณสิบเอ็ดปีแล้วตอนแรกก็แข็งแรงดีดีอยู่ค่ะอยู่ดีดีสองวันก็ไม่สบายทีนี้ก็เราเหมือนเหมือนคิดว่าที่ผ่านมาก็จะมีญาติโยมหลายๆท่านก็ไม่สบายใจกับสุนัขที่เลี้ยงไม่สบายใช่ไหมคะกลัวว่าจะเป็นภาระ แต่พอมาเจอกับตัวเองก็มันก็เครียดอยู่ตอนแรกแต่ก็พยายามอย่างที่พระอาจารย์บอกว่าก็อยู่อยู่กับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นพอเราทําใจได้แล้วอย่างนี้เนี่ยมันก็สบายใจขึ้นพาไปหาหมอหมอก็บอกว่าไม่ต้องพามาอีกนะกินยาหมดแล้วก็หมดทะยาถ้ามันดีขึ้นก็มาเอายาเพิ่มอย่างนี้ก็แปลวา่าเขาไม่รักษาต่อนะเจ้าขาพระอาจารย์ ตอนนี้ก็ดูแลกันไปแล้วก็ทำใจทำใจได้ได้ได้ดีขึ้นเจ้าค่ะอาจารย์มันเหมือนกับการว่าเรายอมรับความจริงมันก็จะทำให้ไม่ทุกข์อันนี้เป็นการอย่างที่พอาจารย์บอกว่าอุเบกขาก็คือไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงการยอมรับความจริงนี่ก็เป็นอุเบกขาเหมือนกันใช่หมค่ะถ้ายอมรับความจริงใจมันก็มันก็ไม่ต่อสันมันก็มันก็เฉยเยไปเจ้าค่ะ คือมามองเห็นว่าตัวเองไม่ที่ไม่ทุกข์นี่เพราะว่าเราไปยอมรับความจริงว่าตอนนี้มันเกิดอะไรกับกับเราบ้างเจ้าค่ะอาจารย์แล้วอันหนึ่งจะขออนุญาตพระอาจารย์ที่ที่พระอาจารย์เคยสอนว่าไม่ให้ไปสอนพ่อสอนแม่อะไรอย่างนี้เจ้าคะะอาจารย์แต่บังเออว่าแม่มีเรื่องไม่สบายใจก็พยายามจะเอาธรรมะไปไปเล่าธรรมะที่เรียนจากพระอาจารย์แล้วก็ไปเล่าให้แม่ฟังก็จะบอกแม่ว่าไม่ได้มาสอนแม่นะ น, ะ น, นี่คือมาแบ่งปัน แล้วก็มาเล่าว่าพระอาจารย์สอนอะไรมาบ้างแต่ทุกวันนี้พระอาจารย์ค่ะเโยมแม่ก็เหมือนกับเขาเขาปล่อยวางเร็วมากขึ้นเจ้ค่ะอันนี้ไม่ถือว่าเป็นการสอนใช่ไหมเจ้าค่ะอาจารย์เป็นการแบ่งปันธรรมะก็ต้องอยู่ที่ว่ า, าเขายินยินดีจะรับฟังหรือเปล่าเลยถ้าเขาไยินดีรับฟังก็อย่าไปไม่ยั่งยืนให้ขเขา เจ้าค่ะก็ก็ตอนนี้ก็ยินดีน่าจะยินดีค่ะเพราะว่าก็เขาถามว่าเวลานั่งสมาธิเนี่ยให้ทํายังไงค่ะอาจารย์ตอนนี้ก็ถามว่าเวลานั่งมาเวลานั่งสมาธิต้องพุทโธหรือว่าหายใจเข้าพุทหายใจออกครูนิยมก็ก็บอกไปตามที่พระอาจารย์สอนตอนนี้ก็วางเขาก็ปล่อยวางได้มากขึ้นค่ะไม่เครียดเหมือนแต่ก่อนนะคะะอาจารย์ วันนี้ก็เข้ามากราบพระอาจารย์แล้วก็มีคําถามเพียเท่านี้เจ้าค่ะโอเค่ถูกวันนี้ก็อากสุราธานีอยากมาสังรพระอาจารย์ครับมามาส่งกานบ้านภาวนาะตอนส่งการครับก็คือที่แรกว่าจะไปที่กระบี่ครับแต่ว่าแล้วก็มาคิดไปคิดมาแล้วก็คิดหลักที่ท่านสอนแล้วก็ดูคลิปอย่างเงี้ยเราคิดว่า ไปอาจจะได้เจอหน้าท่านแต่ว่ายังไงเราก็ต้องปฏิบัติเองอยู่ดีครับแล้วก็มาส่งอารมณ์ครับเอส่งอารมณ์ก็ผมก็ได้พิจารณาสิ่งที่ผ่านมาครับเรื่องต่างๆที่พระอาจารย์พูดก็ดีว่าเครื่องโลกอ่ะครับว่าเอโลกเนี่ยมันเต็มไปด้วยความทุกข์เนี่ยตอนตอนแรกฟังมาก็คือได้ไ ด, ได้ได้แต่ฟังมาแต่ว่าพอเอานําไป พ, พิจารณาก็คิดคิดเห็นจริงแล้วก็รู้สึก เป็นอย่างนั้นแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากพ้นไปจากจุดตรงนี้แต่ว่าด้วยปัญญาก็คือว่าก็คือจะแยกแยะไปว่าถ้าจะทำอย่างนี้เราอยู่จุดนี้เราต้องไปขั้นนี้ขั้นนี้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับจิตก็รู้สึกว่ามีกำลังตั้งมั่นครับแล้วก็ในเรื่องของความโกรธครับได้ก็ก็ ตอนที่ตอนที่ปฏิบัติเหมือนที่บ้านนะครับเราก็มีความโกรธเราก็เห็นอารมณ์ความโกรธเกิดขึ้นมีคนมาพูดอย่างเงี้ยเราก็ตั้งมั่นว่าโกรธแล้วก็ใจก็ร้อนเป็นไฟอย่างเงี้ยครับแล้วก็พยายามตั้งดูว่าให้ความโกรธนั้นมันดับลงแล้วก็คิดว่าเออมันจะดับไปทางไหนอย่างเงี้ยคือเราตั้งไว้อยู่แล้ว ก, ก็สักประมาณสักวันนะครัะความโกรธมันก็ดับลงครับ เราก็รู้สึกว่านี่แหละแนวทางนี่แหละที่ที่ทําให้ให้ทุกมันน้อยลงครับแต่ว่ามันก็ยังมีความโกรธขึ้นใหม่แต่ว่าความโกรธอันนั้นมันก็ไม่ได้สามารถที่จะเอาไปเอ่อไปทําร้ายใครหรือว่าไปอะไรครับมันก็โกรธโกรธแบบเรารู้ว่าเออมันเกิดขึ้นนะแล้วก็มันตั้งอยู่ดับไปครับ อแล้วก็เรื่องการดูละครอะไรเงี้ยครับคือตอนที่รักษาก็คือเหมือนเป็นเป็นเป็นธรรมจริยาครับก็คือว่าคือผมคิดพิจารณาหาเหตุผลในสิ่งต่างๆที่ที่เราได้ผ่านมาตั้งแต่อดีตอย่างเงี้ยครับบางเรื่องมันทำให้เรารู้สึกว่าเ อ, อ่อเรายอมรับมันแล้วก็ เราเข้าใจมันเช่นเรื่องเพื่อนไงครับทําไมเพื่อนถึงไม่เดียวเราแล้วก็เราทําอะไรตอนแรกเราก็กลัวเพื่อนแต่ว่าพอเราคิดไปคิดมาเราไม่ได้ทํำอะไรกับเพื่อนเลยครับจิตมันก็ปล่อยวางว่าอ๋อที่เราเคยกังวลอยู่จิตมันก็คลายออกครับแล้วก็เวลาเราดูหนังฟังเพลงไงครับจิตมันก็ตั้งมั่นอารมณ์อารมณ์ ม, มันก็ตั้งมั่นเราจะไม่ไหลไปตามรูปรสกลิ่นเสียงคืออารมณ์มันไม่ได้กินเข้ามาในใจ สักระยะประมาณสามวันนะครับคือเพลงอะไรเงี้ยมันเข้ามาตัดจิตเราตั้งมั่นแล้วก็ไม่ได้เห็นไม่ได้ดูหรือว่าพวกนั้นก็กลายเป็นอสุภะกรรมฐานอะไรเงี้ยครับแล้วก็ประกอบกับการที่ได้ยินได้ฟังธรรมของพระอาจารย์ตอนบ่ายทุกวันรู้สึกว่าเออเกิดเกิดความก้าวหน้าขึ้นเยอะแต่มแน่ดีงั้ต้องไม่ไม่ไปดูไปฟังมันเลยนี่ย ยังยังทําไม่ได้ครับคือยังติดอยู่ครับแต่จริงๆทราบทราบครับแต่มันไม่มันก็หลอกตัวเองนั่นแหละมันยังมันยังดูยังฟังอยู่มัยังหลอกตัวเราอยู่ครับถ้าเรื่องจริงก็ไม่ดูมันเลยไม่ดูไม่ฟังมันเลยครับติดติดมันยึดครับอาจารย์มันมันมันไหลแต่ว่ามันเรามันไหลแต่เราก็กั้นไว้อย่างเงี้ยครับอาจารย์ กันย <laughs> ังไงอ่ะกันเป็นการดูไงกันเป็นกาดูเลยเป็นกันหรือการดูดูดูแต่ว่าแต่ว่ามันมันเหมือนเราไม่ได้ไหลไปตามอารมณ์อะไรเงี้ยเราก็แบบพิจารณาแยกรูปแยกนามสุภาษกวรมฐานแล้วก็ใช้อะไรเป็นเรียกของเราครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องครับมันเราเราอกเราหลอกเราจ้าฮัลเรา ถาราแน่เริงแล้วไม่ดูมันเร่งหมดเรื่องถ้ามันเป็นทุกข์ก็ไปดูปนะครับครับอ๋อผมไม่ได้พิจารณาถึงว่ามันเป็นทุกข์ครับอาจารย์ผมแค่อยากดูเฉยๆว่าเออเรากับมันเป็นยังไงแต่ว่าถ้าถ้าเรามีปัญญานิดนึงถ้าเราพิจารณาว่ามันเป็นทุกข์นี้เรานาๆๆาณาาธรรมพิจารหยุดครับผมไม่ได้พิจารณาครับอืมก็เลยก็เลยลอกเราให้เราดูต่อให้เราฟังต่อไป เลยแจ้งว่ า, าดูแบบไม่มีอารมณ์แล้วดูทําไมดูแบบไม่มีอารมณ์เพระอาะจารย์ใช่มันมันคือืใช่ครับคื อ, ค, อคือเหมือนที่อารมณ์ความโกรธอะไรต่างๆที่รู้สึกว่าเราละได้เพราะเราเห็นโทษเห็นภั ย, เ ห, ภยเห็นทุกข์ครับพระอาจารย์เราก็เลยเข้าใจเหมือนสิ่งต่างๆในโลกที่แบบผู้คนอย่างเงี้ยมันเป็นทุกข์ครับเเราก็พยายามหนีอยากออกจากทุกข์ครับพระอาจารย์ในเรื่องการงานเงี้ยครับ เราก็พยายามแบบหาว่าตัวเองเนี่ยจะออกจากงานยังไงให้แบบมันไม่ทุกเนี้ยแต่ว่าในเมื่อเรายังต้องนั่งตรงนี้อยู่เรายังต้องไปหางานอยู่เนี้ยความทุกข์ก็ก็ต้องเกิดขึ้นเพราะเรายังกระทบ ก, กระทั่งตลอดเวลาครับ okay. าอาจารย์ท<ำ>ุกข์กลัไปอาจารย์เดี๋ยวถ้าไมีโอกาสเดี๋ยวจะไปปรึกษาพระอาจารย์ครับ ไม่ต้องมานี่หรอกก็เนี่ปรึกษารงนี้มห้ไมาให้เ่เลไม่ค่อยสะดวกนี่ยถลกที่สุดก็วาเนี่ยเผื่อเนเรื่องส่วนตัวพูดไม่ได้ครับอ๋อไม่ไม่ต้องมาพูดหรอกเเแล้วครับก็ตาตตก็คืออยู่กับความทุกข์แต่ว่าความทุกข์ที่ที่อยู่มันก็มีจิตตั้งมั่นขึ้นครับมีรู้สึกว่าความเบื่อหน่ายมันน้อยลงพะาจาครับ พยายามลดละไปเรื่อยๆกันลแล้วกันนะกลับกลับกลับทุกคนครับอขบอบคุณครับใ like นที่เอลเอลเลย์ลอสแอนเจลิสากลับนมัส ก, การค่ะพระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์ได้ยินไหมคะได้ยินจ้ะค่ะพระอาจารย์สบายดีนะคะค่ะก็วันนี้ลูกไม่มีคําถามอะไรค่ะก็ยังปฏิบัติเหมือนเดิมค่ะพระอาจารย์ค่ะ ใ จ, ใ, จใจสบายใจเย็นใจใจสบายใจก็ใจเย็นค่ะพระอาจารย์ <Okay. S 2> ก็ก็ okay, มีอุเบกข่าวพระอาจารย์รแต่ว่าอาทิตย์บางทีมันก็ที่ผ่านมามันก็เหมือนกับออการปฏิบัติบางครั้งมันลูกก็รู้สึกว่ามันก็ยังไม่ก้าวหน้าแต่มันก็ไม่ได้ถอยหลังนะคะพระอาจารย์ก็ยังปฏิบัติค่าพระอาจารย์เราไม่เพิ่มเ ร, เ, รเราไม่เพิ่มการปฏิบัติมันก็ไม่ก้าวหน้าใช่ไหมคะลูกก็ไม่เหยียบคันเลยเนี่ย ครับำได้อยู่เท่าเดิมมันก็วิ่ได้เท่าเดิมค่ะลูกก็ยิงคิดค่ะพระอาจารย์ค่ะลูกทราบดีค่ะอาจารย์ลูกก็ยิงคิดว่าเอหรือว่าลูกจะอยู่บ้านสบายไปไหมเนี่ยก็อดข้าวดูถึงถ้ามันสบายก็ดอดข้าวหนึ่งอดข้าวหรอคะก็จริงๆตอนนี้ลูกก็ก็ทานแค่คือจะว่าไปแล้วก็เหมือนทานมื้อเดียวนะคะพระอาจารย์แต่ตอนเช้าก็มีก็ไม่ต้ทานมันเลยเอาแต่น้ําโำ คือจริงๆแล้วอ่ะมันจะได้สบายเนี่ยมันจะได้ปฏิบัติครับอาจารย์จริงๆแล้ว่ลูกก็ทําได้นะคะแต่ว่ามันมีอย่างหนึ่งคือแบบคือแฟนลูกอ่ะคือแบบคนข้างสร้างเนี่ยคือลูกไม่อยากจะทําอะไรให้มันรู้สึกแบบเขาจะชอบแบบว่าว่าแบบมันลูกเหมือนกับทําอะไรใช่อย่างนั้นนะคะพระอาจารย์ถ้าลูกอยู่คนเดียวแล้วก็ลูกทำได้ถ้าอยากจะก้าวหน้าเรต้องสุดโต๊ะทําไม่ก้าวถ้าไม่สุดต่อมันก็ไม่ก้าวหน้า คือบางทีเวลาเขาพูดกับอะไรอย่างเงี้ยบางทีลูกก็รู้สึกว่าแบบก็เหเวลาเราทุกเข้ามาทุกแครเรารือแบบค่พะพุณจากแล้วลูกก็แบบลูกก็บางบางทีลูกก็คิดว่าเออซซัมเมอร์เนี้ยถ้ามันอากาศมันร้อนขึ้นเนะี่ยลู ก, กคิดถึงคุณสุภาตาว่าลูกจะไปแคมปิ้งก็ดีนะคือหมายถึงอกอกไปข้างนอ ก, กอะไรเงี้ยแล้วลูกก็ไปคุยกับแทนลูกก็แบบเออลูกจะจะไปแคมปิง้งไปที่แบบไปไ ป, ไปกางเต็นท์นอนที่บอกว่ามันดูเงียบเงีย บ, นบในป่าอะไรเงี้ย แล้วแฝลูกเขาก็ตกใจเขาบอกว่าเอ๊ะปกติคือปกติลูกไม่ค่อยไม่ค่อยชอบเที่ยวลักษณะแบบนี้ค่ะไม่ค่อยเที่ยวอยู่แล้วเขาก็บอก <ๆ S 1> เขาก็แซว ล, ลูกก็บอกว่าเขาบอกเขาบอกทําไมอะทำไมำถึงทําไมที่บ้านนี่ไม่สงบหรอที่เขาก็แซวว่าปกติที่บ้านนี่ก็เงียบจนแบบเหมือนบ้านจะเป็นวัดแล้วค่ะเขาเขาชอบไปพูดกับคนอื่นว่าคือแบบมีคนถามว่าลูกเป็นยังไงอะไรเงี้ยปกติลูกจะไปเจอคนเยอะอะไรเงี้ยเขาบอกว่าคือตอนเนี้ย เหมือนที่บ้านนเป็นวัดแหละคือคือเหมือนกับลูกจะบวดชีอะไรทํานองเนี้ยเขาชอบแซวค่ะแต่ลูกก็เฉยๆนะค่ะเขาก็บอกว่าเออลูกหวัง ล, ล, ลูกจะไปแคมปิ้งอะไรเงี้ยไปเปลี่ยนที่บ้างอะไรเงี้ยเขาก็บอกเขาก็แซวค่ะแล้วจ้บอกว่าไม่ต้องไปหรอกก็เนี้ยไปตั้งอยากอยากไปในที่ที่ที่แบบว่าน่ากลัวใช่ไหมเนี่ยก็ไปตั้งแคมป์ที่ดาวทาเดี๋ยวที่มีที่มีโฮมเลดเยอะๆค่ะแล้วจ้ะ ลูกก็บอกไอ้มันน่ากลัวเกินไปแล้วล่ะค่ะ <ừ. S 1> พระอาจารย์ก็ไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์ก็ยังเพียรปฏิบัติเหมือนเดิมค่ะพระอาจารย์ <ừ. S 1> ก็ยังคิดค่ะก็พยายามจะทําให้มากที่สุดอะค่ะ <ừ. S 1> พระอาจารย์ก็ต้องบอกก็ต้องบอกตัวเองแหละว่าถ้าเราไม่ทําเพิ่มเหมือนกระเทานี่ถ้าเราไม่หามาตรการให้มันกระตุ้นการกระทําของเราให้มากที่มันก็ได้เท่ น, ทนี้แหละมาทำเท่าเดิมม็ได้เท่าดี้เนี่ย ถึงแม้จะเพิ่มเวลามากขึ้นมากขึ้นใช่ไหมคะพระอาจารย์หรือว่ามันอยู่ที่ใจเราว่าเรามั น, ถ, นถ้าเพิ่มเวลาถ้าเพิ่มเวลาปฏิบัติมากขึ้นมันก็มันก็ได้ก็ได้มากขึ้นค่ะพระอาจารย์ค่ะจะค่ะจะน้อมนำปฏิบัติคะ่ะพระอาจารย์ขอ<ม>ให้พระอาจารย์ธาตุขันแข็งแรงนะคะสาธุค่ะเบญี่ปุ่นฮิจู นมรดกการพระอาจารย์เจค่ะอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วหนูใช้เวลา เ, เล่านานเกินไปหนูกลับขออภัยพระอาจารย์กับนักปฏิบัติทุกท่านด้วยนะคะไม่เป็น<อ> ไ, ไรนะมันก็เป็นเรื่องของการศึกษาค่ะ case case study เลย case ค่ ะ, าาคะอาจารย์คะอาทิตย์ที่แล้วพระอาจารย์สอนหนูว่าให้มองทุกอย่างเป็นอนิจจังหนูก็เลยเอ่ะ หลังจากนั้นหนูก็เลยศึกษาค่ะแล้วก็ไปอ่านเจอขันห้าค่ะพระอาจารย mm ์ hmm. แล้วขันห้าค่ะหนูหนูอ่านรูปกับรูปกับสัญญาณหนูพอเข้าใจค่ะแต่เวทนาวิญญาณแล้วก็สังขารหนูงงๆค่ะหนูไป g ก o g กูเกดูกูเกิลหาอ่านที่อื่นด้วยแล้วก็ฟังจาก YouTube หลายๆที่ด้วยก็คือยังยังไม่เข้าใจค่ะพระอาจารย์โดยเฉพาะเวทนากับ วิญญาณนะคะหนูหนูสับสนนะคะพระอาจารย์คือเวทนาก็คือความรู้สึกไงเวลาหนูมีความรู้สึกไม่สบายนี่ก็เวทนาทุกเวทนาเวลารู้สึกสบายก็เรียกว่าสุขเวทนาเวลาเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์นั่นเรียกไม่สุขก็ไม่ทุกเวทนาเปลี่ยนมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่เวลาเราอยู่ข้าเนี่ยมันก็เรียกว่าทุกขเวทนาเห็นไหม เวลากินดิบแล้วก็มันยังก็สุกเ ข, ขเวทนาใช่ไหมเวทนาคือความรู้สึกไงความรู้สึกสุขทุกไม่สุขไม่ทุกข์มันมีอยู่สามมันมีอยู่สามสามชนิดด้วยกันที่เราพบอยู่ทุกวันเนี่ยตง่นขึ้นมาก็เจอแล้วเราวิทนาแล้วจะสุขหรือไม่จะสุขหรือทุกข์หรือไม่สุ ข, ไ ม, สขไม่ทุกข์ก็แล้วแต่บางวันเป๊นขึ้นมาแบแฮปปี้เช่สดชื่นแบบว่าบางวันตื่นข้นมาโอ้ยหน้า นั่งน้งอยนั่งหงินั่งอ่อนนี่ก็เว่น็ไธรรมดาเธอคารรู้สึกวิญญาณแล้ววิญญาณวิญญาณกับสังขารล่ะคะเอาเอาสังขารก่อนสังขารก็คือความคิดปรุงแต่งไยคิดเรื่องนั้นคิ ด, ดนั่งนี่เรียกวสังขารคิดจะมาวะที่จะมาฟังเทศวันนี้ก็สังขารเป็นผู้คิดผู้ทําหน้าที่ความคิดทั้งหมดนี่เป็นหน้าที่ของสังขาร ที่ว่าจะ่จะคืนนี้จะมาฟังเทศน์ก็สังขารเนี่ยเป็นตัวคิดพรุงนี้จะไปทํางานก็สังขารเป็นตัวคิดเองต้องเป็นตัวคิดมันถึงจะทําอะไรไนดะ้ตัวคิดเป็นตัวสัง่งให้เราทํานู่นทนํานี่ถ้าเราไม่คิดเราก็ไม่ได้ทําอะไรอาจารนะย์ไหมเข้าใจยังก็ว่าสังขารเข้าใจแล้วค่ะคือความคิดค ว, ความคิดต่างๆปรุงแต่งเนี่ย สังขานวิญญาณก็คือตัวที่ไปรับรูปเสียงกินรลดมาให้กับใจผู้รู้ไงใจไม่มีร่างกายใจต้องอาศาัยร่างกายอาศัยตาผมจะบอกนิ้งกายถึงย่อสามารถเห็นรูปได้ยินเสียงได้พ อ, อตาเห็นรูปมันก็วิญญาณก็ไปรับจากตามาบอกใจว่าตอนนี้เห็นรูปคนนี้คนนั้นอันนี้นคือหน้าที่ของวิญญาณวิญญาณคือตัวรับรับ เข้ามา่เสียงกีรติลดจากทางตาหูจมูกนิ้วกายเข้ามาที่ใจใจเป็นผู้รู้แล้วใจก็ใช้สัญญาเป็นตัวตัวราแปลว่ารูปที่รูปที่เห็นนี่เป็นรูปไข่จำได้ไห ม, ไหมรู้สัญญาเราทำจำได้ไหมรู้พอรูปเข้ามาปับ๊บวิญญาส่งรูปมาให้สัญญาก็ทำหน้าที่ วิเคราะห์ว่าเป็นอะไรลูกไข่รูปหญิงลูปชายลูปคนนั้นคนที่เชื่อนั้นเชืนี้หรือเปล่าพอรู้ว่าเป็นคนนั้นคนนี้แล้วก็เกิดความรู้สึกตามมาเวลาเห็นคนที่เราชอบแล้วก็เกิดความสุขใจขใึ้นมาเวลาเห็นคนที่เราไม่ชอบก็เกิดความทุกข์ใจมันมความทุกข์ขึ้นมาเมื่อพอเกิดสุขใจทุกข์ใจสังขารก็ทําหน้าที่ว่าจะทำอะไรดี ถ้าเจอคนสุขใจก็วิ่งเข้าไปกอดเขาสิใช่ไหมถ้าเจอคนที่ทูกใจก็วิ่งหนีปิดประตูบ้านไม่ไม่ตอนรับอันนี้ก็สังขารมีคนสั่งอีกทีนึงขยายอย่างเนี้ยพอใจแล้วค่ะห้าขันห้าก็ทําทงานเนี้ยทําทํางานเป็นทีมนะทําสิ่งพวกนี้เขาเขาบอกว่าขันห้าไม่เที่ยงนี่คือมันไม่เที่ยงยังไงอ่ามันเปลี่ยนไปได้่อไงเอราว่าไม่เที่ยงเาแปะเปลี่ยนได้เรืย เห็นรูปนี้แล้วแล้เห็นรูปนั้นได้ยินเสียงนี้แล้วได้ยินเสียงนั้นมันก็เปลี่ยนไปแล้วอารมณ์ก็เปลี่ยนตามไปความรู้สึกก็เปลี่ยนตามไปพอได้คนเข้ามาชมแล้วก็แฮปปี้สุขเวทนาลอยขึ้นพอเจอคนก็ด่าแล้วก็ทุกเวทนะลอยขนมันเปลี่ยนไปมันไม่ได้สุขไปทั้งวัดมันไม่ได้เป็คนชมทั้งหันมันไม่ได้เป็คนด่าเทั้งวัดมันทามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่าไม่เที่ยง มันนาตาเราไปบังคับมันไม่ได้สั่งให้มันมีแต่คนชมเราอย่างเดียวไม่ได้ใช่ไหมมันนินฟ้าอากาศคันห้าก็หมือนลูกเสียงดินแล้วก็เมือนนินฟ้าอากาเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวเย็นมันเปธรรมชาติที่เราควบคุมบังคับไม่ได้เราต้องฝึกใจให้อยู่กับมันให้ได้รับมันให้ได้แล้วที่ไม่รู้สึกลุกขึันมา ใช่แล้วค่ะพระอาจารย์หนืจะกลับมาทบทันทบทวนเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์เหมือนลูกค้าที่เราทํางานด้วยแล้วก็เป็นบางคำขอไม่ได้ก็เป็นรูปนะลูกค้ารูปดีก็มีรูปไม่ดีก็มีใะ่รูปดีเราก็ไแฮปปี้เพราูปไม่ดีแล้วก็ไม่แฮปปี้อ่ะใช่ค่ะหลักกดมากเลยค่ะพระอาจารย์แต่เราเพราะเราประหยัดเราประหยัดเราเฉยๆเลย มันใช้ยอมแล้วว่าทุกอย่างมันเป็นอย่ามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามีดีไม่ดีสลับกันไปสลับกันมาเราไปให้มันดีไปตลอดไม่ได้เราฝืนใจฝุนใจให้เล่ากับทุกอย่างให้ได้สุขก็ได้ทุกข์ก็ได้ดีก็ได้ไม่ดีก็ได้เราห้ามไม่ได้มันเหมือนบินท่ากับนี่ตกก็ได้แดดออกก็ได้หนาวก็ได้ร้อนก็ได้ พอใจอะพอใจแล้วจ้าค่ะขอบพระคุณพระอาจารย์มากเจ้าค่ะแล้วตกลงเรื่องนั้นหายไปได้ยังแล้วเรื่องเรื่องอ๋อคนที่เขาเรื่องลูกค้านะเ น, านี่ยกรมคือหลังจากนั้นนะคะหลังจากผ่านไปอาทิตย์เนี่ยค่ะพระอาจารย์เขาก็กลับมาจ่ายเงินที่ที่บริษัทค่ะค่ะคือหัวหน้าใหญ่เขาโทรไปโทรโทตามได้ค่ะพระอาจารย์ <laughs> ก็ดีค่ะเขาก็มาจ่ายเงินคืนนะคะก็หมดหมดเรื่องราวแล้วค่ะคนนั้นนะคะหนูก็โล่งเลยค่ะอาจารย์จริงมันก็ไม่ยังเป็นความผิดของหนูไม่ใช่ค่ะค่ะโอเคขอบพระคุณค่อาจารย์มากค่ะด้ว่ะคณะอาจารย์มีพระถ่นแข็งแรงนะคะด้วยยูเอสเอสตอร์สวัสดีเดลัสเท็กซัส นมัส ก, การพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้ลูกไม่มีคําถามเจ้าค่ะขอร่วมฟังไม่ไปชังนเรียนวันนี้นอือไม่เจ้าค่ะเดี๋ยวเตรียมตัวไปหาเอพ่อปู่มแม่ยา่า <c oughs> บางกตาเจ้าค่ะไปไปเยี่ยมไปเยี่ยมเจ้าค่ะแล้วก็เดือนหน้าคงไปยาวนิดนึงเจ้าค่ะแต่ก็จะพยายามเข้าซูมเหมือนเดิมแล้วก็ปฏิบัติตลอดเจ้าค่ะพยายามย ทิ้งมันนะทิะ้งเอาวลากรรบมาทําใหม่มันจะยากขึ้นนะเจ้าค่ะจะจะยากมากมันกว่าจะขุดมันขึ้นมามันมันยากเจๆๆ้าค่ะรูกจะพยายามต่อนเนื่องเจ้าค่ะพยายามรักษาการปฏิบัติลงไปอย่าให้ ย, อยอ่อหย่อนเจ้าค่ะเจ้าค่ะกลับขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะขอให้คนยินดีกับคุณเดวิดยินดีกับเดวิบางสัว บอนส o วาคุณอาจารย์บนส์วารคุณอาจารย์าทีสวัสมามาทีสวัมวันุยค่ะค่ะไม่มีคำถามค่ะเข้ามาร่วมฟังธรรมกับกัลยาณมิตรทุกทุกท่านค่ะแล้วก็นำมาเรียนรู้ค่ะท่านอาจารย์ดี๋ยวจะฟังรู้แล้วเนาะเดี๋ยว ฟังรู้เรื่องที่ฟังไม่หมดครับแต่ เ, เลยเก่งในยังพูดภาษาไได้ดเราเดินทางพวกนี้แล้วใช่ม้วมานเลยนี้วันศุกนะโ อ, โอเคเราเดินทางโดยปลอดภัยนะมองรอยญากแม่ซีฮูถ้าเกิดพรุ่งนี้ถ้าเกิดพรุ่งนี้ถ้าเกิดพรุ่งนี้ทุกอย่างราบรลื่นก็คือน้องชายเขาใช้เขาใช้รถอากาศท่านอาจารย์ถ้าเกิดสงว่ารถมาทาันลูกก็จะไปฟังธรรมกันค่ะ เพราะเขาชวนเองเขาชวนลูกเองนะคะลูกไม่ได้บังครับเขาเขาาจะไปเองแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าไม่มีรถก็คงไม่ไได้ไม่สะดวกก็ไม่ต้องพระท่าอาจารย์ค่ะขอบพระคุณมากค่ะท่านอาจารย์อขอบคุณเป็นอย่างสูงก่อนท่านอาจารย์โอว้าโอ้ว้าโอ้ว้าค่ะที่านารีแลนด์คุณจิมบนารีแลนด์ยูเส หนั know, ่น้มาไหนกิที่แล้ม่ไร้เข้ามามาสักการ์เข้ามาเจ้าค่ะแต่ <c oughs> มาวันสักอ า, าจารย์สบายดีไหมเจ้าค่ะสบายดี <c oughs> อันนี้รัสเซ้ยเราถ่ายไม่ได้ใช่ไหมสิบห้าไหมเห็นไปแล้วค่ะอธิษฐ า, ะะ <c oughs> <c oughs> า, ารให้ลูกค้าเป็นสิบสิบเลยค่ะพระจารยอะไรแบบยุ่งมากตอนแรกบอกว่าสลินทอนเข้าหรือเปล่าฝากกล่าพระจย์ด้วย สลีนทอนก็สลีนทองมันก็ไม่ได้เข้าเหนกันมันมีมาเยอะเยอะค่ะเอค่ะมาแล้ ว, ลวหรอค ะ, ะ, ะพอดีเมื่อวานนี้โยมเผลอไปกดโดนโทรไปหาเขาไงเขาก็บอกคิดถึงหรอคิดถึงได้โทรมาหาหรอบ อ, อกขอโทษที่เผลอไปโดนโยมก็เลยว่านั้นเดี๋ยวเด๋ยวถ้าเกิดโยมก็เลยบอกเพื่อนบอกว่าเออถ้าไม่ได้เจอกันไม่ได้คุยกันพรุ่งนี้ก็คุยกันในซูมกับพระอาจารย์ลวกันนะ ค่ะพยาจันก็ไม่มีอะไรค่ะก็พยายามแบบสติก็พยายามฝึกสติไปเรื่อยๆค่ะก็พุทโธพุทโธนึกได้กับปลีพุทโธถ้าบางทีเผลอสติไปก็ดึงกลับมาอยู่ค่ะเด็พยายามฝึสติไปเรื่อยๆเราสามารถฝึกสติในชีวิตประจําวันเราได้นะค่ะแต่มันแก้มันอย่างมันมีอันเดที่โยมยังแกะปรับแบบไม่ทานมานะคะอย่างเช่นได้ยินเสียงดังปึ้งบางทีแบบมันจิตมันวุบอย่างงี้ไปเลยว่ามันสติเรายังน้อยไป แต่ถ้าเกิดมากจมันจะแข็งเจมันจะเฉยอ๋อเวลาได้ยินเสียงอะไรที่แบบบันดังเครื่อสร้างรถเล่าหรืออะไรอย่างนี้มันจะไม่ค่อยไมันไม่มันไม่กระเทือนอ๋อค่ะวเนี๋ยวโยมก็จะปฏิบัติให้ได้มากๆขึ้นไปค่ะถ้าถึงวันนั้นคงเป็นวันที่โยมแบบเห็นทางสว่างเพิ่มเติมได้ขึ้นทางด่วนบ้างนิดนึง ่อจรสบายดีนะคะ<ช>ก็ขอยพระชายของพระอาจารย์แข็งแรงเจ้คาค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะคุณนริกานาราที่ว่ากลับถึงบานแล้วเลยกลับนมิตการที้สั่รพระอาจารย์ได้ยินไหมัคะได้ยิน ไ, ได้ยินมีอะไรไหม ก็อันนี้ก็ยังน้อมนำคำสอนของท่านพระอาจารย์นำมาปฏิบัติในการปฏิบัติงานนะท่านพระอาจารย์ก็คือในแต่ละวันก็คือมันก็มีงานให้ทำทำไปามหน้าที่ทำตามนิพพานไปคะ่าพระอาจารย์เพราะว่าในสิ่งที่ที่ทำก็พยยเจริญสติอยู่ก็นึกได้ก็คู้คุยพูดโทรไปก็ฟัง ธรรมะของผู้อาจารย์นะคะผู้อาจารย์ก็ก็คือฟังธรรมะอยู่แต่สงสัยดึงดีว่าในรโลกปัจจุบันนี้ถ้าเราไม่ฟังถาวบ้างเราจะไม่ทันต่อต่อโลกต่อเหตุการณ์แล้วก็ว่าฟังผู้อาจารย์แล้วผอาจารย์จะบอกว่าให้ตัดทางโลกโลกออกไปเสียเรามันจะเป็นสติอย่างเดียวลูกไม่เข้าใจค่ะให้ผู้อาจารย์อธิบายนิดนึงค่ะอาจารย์ไหนพูดใหม่ในคําถามนี้คํำถามบางที่ว่านะผู้อาจารย์จะบอกว่า ไม่ให้ดูโทรทัศน์ไม่ไปฟังข่าวต่างๆให้เจริญสติของเร า, า, านะครัอาจารย์ดังนั้นก็ถามว่า<ล>ถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่ทันต่อโลกต่อเหตุการณ์ใช่ไหมก็ไม่ต้องไปทนันมันหรอกโลกมันไม่มีอะไรโลกมันก็เปนอนิจจังโลกขังหน้าตาถ้ารู้ว่าเป็นอ น, นิจจังโลกขังหน้าตาก็ทันมันได้เลยอ๋อมันไม่มีอะไรหรอก ตอนนี้เราไม่ทันมันเพราะเราไม่เห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราไป ม, มองเห็นว่ามันเป็นสุ ข, ขังนิจจังนิจจังสุ ข, ขังนอนัตตาอันนี้ไม่ทันมันแ ส, สดงว่าเราหลง<ม>ถ้าเราไม่หลงเราถ้าเราจะทันมันเราต้องรู้ว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเท่านั้นแต่แต่เราต้องมาบอกตัวเองว่าต้องไม่ประมาทใช่ไหมครับอาจารย์ไม่ประมาทช็ไม่ไรล่ะ ไม่ประมาทตอ่อเหตุการณ์ต่างๆที่เราปฏิบัติอยู่ก็เราเห็นเราเป็นนี้จังมันจะเป็นประมาทอ่ะ oh. มันเมื่อเรารูมันเปนนิจจังมันก็รูไม่มีอะไรแน่อนอน oh. อะไรจะเกิดก็ได้พรุ่งนี้อาจจะใครก็อาจจะกดกระโดเนี่นเคลียรส่งมาก็ได้จังค่ะที่จังน้ อ, องนิในในนจจัขงขาวนาฏตาอันนี้แหละเป็นธรรมะไยที่สุดนะ ตามรู้ทันสมัยที่สุดก็รู้ว่าโลกนี้เป็นอนไรจากทุกข์กันแหน้าตาเท่นี้เพราะรู้อย่างนี้เราอาจะไม่ทุกแต่ถ้าไปรู้แบบตามข่าวี้จะทำให้จัดเครียดใช่ไหมดูข่าวแล้วมันเครียดไหมใช่ค่ะนั่นแหละเพราะเราไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้ทันความเป็นจริงเราไปไอดูความไม่จริงมันก็เลยเครียดถ้าเราเห็ความเป็นจริงเราจะไม่เครียดนะครับมันเป็นธรรมดาของโลกมันเป็นอย่างเนี้ย มีขึ้นนี้้ตองมีมีอะไรกันมีเหตุการณ์ร้อยแปดพันประการเป็นเรื่องของโลกเ น, นี่ยแสดงว่าเรารู้ทันไงรู้ทันคือรู้รู้แล้วใจเราไม่ทุกข์รู้แล้วเราปล่อยวางก็เรารู้ทันถ้ารู้แล้ทุกข์แสดงว่ารู้ไม่ทันเอาใจนะค่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์สาธุเจ้าค่าา ะ, ะแต่นี่พูดในมองมอง ในมุมของผู้ปฏิบัติทําเพื่อหลุดพ้นนะแต่ผู้ที่ยังปฏิบัติทแต่ยังยังอยากจะติดอยู่กับโลกก็ต้องติดตามโลกไปแหละเช่นยั ง, ย, งยังหวงเรื่องดอกเบี้ยวว่าขึ้นเท่าไหร่ลงเท่าไหร่เรื่องหุ้นขึ้นเท่าไหร่ลงเท่าไหร่มันก็ต้องติดตามหรือห่วงเรื่องน้ำท่วมีนตกอะไรก็ต้องติดตามข่าวสารไป แต่ถ้าแบบต้องการจะดูดทนจับความทุกข์ก็ไม่ต้องติดตามเรื่องอะไรเนี้นยเขป้องได้หมดทุกอย่างอย่างมากแค่ตายจังการไหมจังใหญ่ไหมแต่ถ้ายังกลัวตายอยู่ก็ไม่ต้องติดตามข่าวสารว่าโอเดีพรุ่งนี้น้ําท่วมหรือเปล่าฝนตกหรือเปล่าแต่ถ้ารู้ว่าทุกอย่างเป็นอริยจังทีข่ขาตาันก็ไม่ต้องไปติดตามเลย มันก็อยู่ที่ว่าเราเรายังปฏิบัติอยู่ในระดับไหนอยู่เรายังปฏิบัติอยู่ในระดับที่เรายังต้องหวง่หวงนั้นห่วงนี้เราติดตามข่าวไปถ้าเราปฏิบัติใ้ระดับที่ไม่ห่วงอะไรนะไม่ห่วงอะไรนะอะไรก็ได้ก็ไม่ต้องไปติดตามข่าว <ขอ S 1> คุณเจ้าขาค่ะขอบคุณเจ้าขาว่าดังขคุณ้า ไปที่อาจารย์สายทิศตัดใต้ขึ้นไปเหนือเลยอีสานเลยในคอนแกนเล ว, วันนี้อยู่สารคามเจ้าค่ ะ, ะควันนี้มีนัดพบหมอค่ะพระอาจารย์ได้อีกโรคนะร่างกายเป็นวร์เกิดแห่งโลกเหมือนจะเป็นออโต้อิมูนเลยค่ะพระอาจารย์ปวดตามข้ อ, อได้ได้แบบฝึกหัดเรื่อยๆเลยค่ะช่วงนี้ก็ ก็ย่อหย่อนอยู so ่ค <Und ga tested Twelve> ่ะพระอาจารย์ช่วงนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยทำได้เยอะเหมือนเดิมค่ะหลายงานตวางย่อหย่อนค่ะแล้การเป็นคนรับเคาะล้วก็เป็นคนรับเคาเองรับเคาะเองสมาธิไม่ค่อยดีเลยค่ะพระอาจารย์ด้วยคามสติเราเราน้อยลงด้ค่ะทำงานเยอะเกินไปค่ะแล้วก็อาจจะเจอช่วงร่างกายไม่ค่อยดีได้ค่ะพระอาจารย์ค่ะ แต่ก็คงจะได้เป็นแบบฝึกหัดไปว่าถ้าตอนเราป่วยจริงๆก็คงจะถือโอกาสนี้ฝึกไปด้วยเลยค่ะพระอาจารย์ค่ะไม่ไม่มีคำถามค่ะพระอาจารย์เข้ามาร่วมฟังค่ะน้้วบ้านที่ทำอยู่ข้างหลังบ้านเสร็จแล้วอย่างเออโมดเต็มเลยค่ะพระอาจารย์แล้วก็ข้างบ้านเราดันทาครัวติดกับของหนูเลยค่ะก็สร้างบ้านใหม่เสียงดังเธอก็ อุต่าห er huh. ์อุตส่าห er ์ทำตรงนั้นแล้วเขาก็กลายเป็นเป็นครัวเขาติดติดบ้านหนูเลยค่ะแล้วเขาก็มาเปิดไปเด็กกิบข้าวเข้ามาช่วยเข้ามาเปิดไปตรงนั้นแล้วก็ล้องคักเราก็โอเคงั้นเลยแล้วไม่มีเรกเลยสรุปแล้วบนบ้านบี้เกว่าเลยค่ะพระอาจารย์เพราะว่าคุณพ่อไปบ้านสวนบ้านบ้านหลังใหญ่ๆหนูอยู่คนเดียวบีเวกเลยค่ะก็เลยงันบ้านบนบ้านน่าจะดีกว่าแต่อาจจะไม่ได้ทดสอบความกลัวค่ะ แต่เรื่องความเปัว พ, พ่อก็บอกว่าก็ไ ป, ก, ไปก็ไปสามารถไปอยู่ไอ้ละอยู่ที่บ้านส่วนอยู่ที่บ้านที่บอกพระ อ, อาจารย์ได้เลยค่ะเราเอาตอนเด็กๆ ก, ก็ไปมุดๆไปที่ข้างข้างหบ้านกันได้ช่วงเด็กๆช่วงเด็กๆเร า, าไปอาวนาหรือตอนนั้นก็นอนซะแล้ว ถ้าถ้าไม่มีสอนไม่มีงานแล้วก็ก็น่าจะได้อยู่ค่ะพระอาจารย์อาจจะให้ให้บ้านนั้นเขานอนไปก่อนแล้วเราก็ค่อยออกมาค่ะแต่ว่าถ้าออกมานี่ก็ต้องเป็นวันที่เราอยู่บ้านคนเดียวได้ค่ะพระอาจารย์ถ้าพี่สาวอยู่เขาก็จะเขาก็จะรับไม่ได้ใช่ค่ะก็คงจะต้องมีวันที่คุณพ่อไม่ไม่เป็นอยู่บ้านสวนที่ไม่อยู่แล้วหนูจะลองดูค่ะแต่แต่ว่ามัน อันนี้ในกรณีที่อยากจะทดสอบความกลัวนะครับค่ะไปบางวันนะคะพระอาจารย์บางวันที่ที่ได้จังหวะโอกาสดีๆที่ไม่มีใครอยู่เดี๋ยวเราจะลองดูค่ะแต่ว่ามันมันมีมันมีพวกพวกมอดด้วยค่ะพระอาจารย์มันเป็นไผ่ต้องปล่อยมันไปมันก็อยู่ออกมาแล้วก็อยู่ของเราไปอ๋อ ก, ก็ก็ต่างคนต่างอันนี้ ไ, <ม>ไปไนะคะพระอาจารย์ค่ะ เดียวเดียวถ้า hmm. ถ um, okay, ้าได้โอกาสดีๆหนูจะลองไปอยู่แล้วจะมารายงานค่ะภระอาจารย์ก็ก็แอบตัวอยู่นิดนึงค่ะนึ่องจาเตองไม่กลัวก็ก็คิดว่ากลัวอยู่ค่ะพระอาจารย์แต่จะลองดูค่ะค่ะอันนี้ไม่บองคำแทนเลยเป็นแต่เป็นการแนะแนวใช่ไหมคะค่ะไว้ไว้ไว้ใจกล้าจะลองดูค่ะพระอาจารย์วันไหนที่วัดใจตัวเองลงไปได้จะจะลงไปค่ะโอเคแล้วมาเล่าให้ฟังกัน ได้เลยค่ะค่ะพระอาจารย์วันนี้มีเพียงเท่านี้ค่ะอ่าสาธุสาธุาค่ะอะไรี้เคยเกดิดมีเกดิดขาาึ้นมาในขึ้นมาชุบพรนะจอดแพร่ครับใช่ครับพระอา<ห>จ า, ารย์เป็นนานครับหายเป็นนานเพราะว่าทํางานตลอดเลยครับช่วงนี้ไม่ได้พักเลยแล้วก็ ข้อสอบปาาระจำก็ยังส่งมาเรื่อยๆไก็ส่งมาเรื่อยๆถ้าข้อสอบพี่ได้มาก็คือหนึ่งความกลัวความความที่เราแบบเจอการเจ็บรู่นเจ็บนี่เล็กน้อยเล็กน้อยบางทีก็เจ็บหน้า อ, อกบ้างเจ็บสีข้างบ้าง อ, อ่หลายๆอย่างแล้วก็แล้วก็วกอ้าไม่เป็นไรเจ็บก็เจ็บไปปล่อยป่อยเพราะเราไม่ใช่นางกายเราเคยจิตใจผู้รู้ผู้คิดเหมือนพี่ไพาจา์สอนใช่ก็ปล่อยให้มันเจ็บเดี๋ยวก็หายไปเอง Hmm. บางทีก็มาในรูปแบบของคู่สนทนา hmm. มาซื้อยาอะไรอย่างเงี้ย hmm. แล้วก็แล้วก็ชนะใจแต่ว่าในการปฏิบัติจริงภาคภาคปฏิบัติจริงเนี่ยมันจะมันจะไม่เหมือนไม่เหมือนกับที่เราเรียนมาในตำร า, าครับพีาจางมันเหมือนกับความคิดเราสมมติสมมติสมมุติถ้าผมกำปั้นอย่างเงี้ยกำปั้นอย่าง น, น, น, างนี้ถ้าเป็นผมนี่คือไม่ได้คิดอะไรเลย แต่ถ้าถ้าเป็นลูกค้าหรือว่าผู้มาส่งหนา้าเรื่อยๆเขาอาจจะคิดอะไรบางอย่างหรือนี่คือความคิดในความเห็นส่วนตัวนะครับมันจะเป็นภาคปฏิบัติของพระธรรมก็คือเขาก็คิดส่วนเขาไปแต่เราไม่คิดอะไรมันจะเป็นกิเลสที่เราต้องสู้กับสิ่งเหล่านี้ครับอาจารย์กิเลสในภายใ น, ใ น, ในใจิตใจของแต่ละคมข้อสอบก็มาเรื่อยๆจนชนะใจตัวเองก็คือ เหมือนที่พี่อาจารย์สอน น, นเวลาขึ้นชคจริงเนอะเราต้องชนะกิเลสในใจของเราชนะกิเลสภาคปฏิบัติกับภาคทฤษฎีที่สอนในธรรมะเนี่ยมันมันแทบจะคนละอย่างคนคนละศัตรครับอาจารย์คนคนละอย่างเลยเพราะภาคปฏิบัตินี่มันจะมันจะเป็นอีกเป็นเป็นเหมือนกับ ทำที่มาจากพระไทยของพระพุทธองค์ที่ส่งต่อมากับส่งต่อพระอรหันมาเรื่อยๆแต่ก็ไม่แต่ก็ไม่ใช่ว่าเราไม่ศึกษาพระธรรมที่มีอยู่นะครับเริ่มต้นจากพระธรรมที่มีอยู่นั่นแหละครับผมก็เริ่มจากตรง น, นั้นเหมือนกัน <í ls> จนกว่าจะถึงภาคปฏิบัติที่เป็นปรถมมัธยมมาอะไรจนนริงๆจนแล้วปิญญาามันมันชัดเจนกว่านี่ามปะมันชัดเจนกว่าภาคปฏิบัตินี้ ภาพปฏิบัตินี่ไม่เหมือนไม่เหมือนภาคิดสติเลยเพราะภาพคิดสติมันเกิดมันอาจจะเราอาจจะแปลงแปลงมาเลยจินตนาการมันผิดเพี้ยนจากความเป็นจริงก็ได้สาธุครับบาง<ม>อย่างเป็นวิป ว, ว, ว, ว, ว, ว, วิปัสสุกิเลสหรือว่าเป็นกิเลสทั้งนั้นเลยครับ<ม>เป็นภาพเป็นแสงเป็นสีเป็นเสียงเป็นทุกอย่างอืเราต้องอุเบกขาหมดแล้วก็บางอย่างเราพิสูจนการปฏิบัติเราไปสูจด้การปฏิบัติ การปฏิบัตินี่มันจะเป็นอีกอย่างนึงกับทฤษฎีต้องปฏิบัติเองก็จะรู้เห็นด้วยตัวเองจริงๆครับ mm hmm. แต่แต่ถ้ามีครูบาอาจารย์สอนนี่จะไปได้ไวมาก mm hmm. เราเราเราเหมือนเหมือนกับพี่อาจารย์เคยเจอมาก่อนผม mm hmm. ผมก็จะนึกถึงสังโคสังโคสังขานุสติก็คือเป็นรืนึกถึงว่าคนของครูบาอาจารย์คือพี่อาจารย์สุชาติวิชิโตนี่ยครับก็จะได้รับคําตอบที่ชัดเจนแล้วก็ว่าต้องทํำยังไงต่อ ส่วนใหญ่ก็ทำใจให้สงบมากกว่าไม่ค่อยไม่ค่อยไปทุกขร้อนใช่ต้องไม่ทุกข์ร้านใช่อะไรอาภัยให้กันได้ยามีถ้าไม่มีอุเบกขาแล้วเราใช้ปัญญาในสติอย่นึงปัญญาครับปัญญาสำคัญที่สุดเลยครับนี่คือข้อข้ออย่างแนะนํามากครับปัญญาที่เรามีนี่นะครับอืคือสอนใจเราเองว่าขาดปัญญาไปไม่ได้ถ้าขาดปัญญาไปนี้จะจะไม่สามารถหลุดพ้นได้เลย ถูกต้อง okay. ปัญญาสำคัญกวาาสาธุครับสาธุครับนา uh, มัมาสการพระอาจารย์เจ้าขา่าฟังฟังแล้รู้สึก ด, ดีค uh. <laughs> ่ะอาจารย์ก็มีมันมันก็มีบ้างที่โยมมันจะมีวันนึงที่โยมเหมือนกับ หลับอะค่ะพระอาจารย์แล้วก็ในใจลึกๆมันมีความกลัวเห็นเห็นตัวกลัวผุดขึ้นมาแล้วเราก็เราสอนตัวเองว่าการสามสิบสองนี่เราไม่ได้อยู่ในนี้นะแต่ทําไมเรายังกลัวอยู่มันก็ยังกลัวอยู่ในลึกๆอะครับพรยังเชื่อว่าเป็นเราอยช่ไหมอ่ะแล้วมันก็มีตัวสติผุดขึ้นมาว่าเหมือนกลัวอะไรถามถามขึ้นมาว่าเรากลัวอะไรมันจริงๆมันไม่มีมันไม่มีอะไรนะมันไม่มีอะไรมันก็แค่ก็กลัวมันตาย น่นแหละค่ะกันเจ็บถ้าอย่างมัเป็นตายให้มันเจ็บไปมันก็จะหายคัวยองค่พระอาจารย์ทั้งที่สอนตัวสอนสอนอยู่ทุกวันพูดกับตัวเองทุกวันมันก็ยังมันยังไม่เชื่อค่ะพระอาจารย์เออตอนที่กลัวต้องใช้ขับเจิตสู้กันกลัวตายว่ามันห้ามมันได้แบบมันไม่ตายได้เปล้าพระอาจารย์มันจะตายก็ตายนจะเกิดใครยังมาบีบคออีนที่ท่านังมาบีบคอไป อ่าแล้วก็ฟังมันต้อย้อนย้อนควนามกลัวมันเปอ่งครอ่ามันมันมันยังไม่ยอมเชื่อค่ะพอาจารย์ก็ต้องสอนไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะเจอเหตุการณ์เจอบททดสอบจริงๆแล้วถึงจะต้องอออสอนเยอะหรือว่าปล่อยหรือไม่ปล่อยอ่าพระอาจารย์เอ่อส่วนการปฏิบัติของโยม น, นี่ก็โยมรู้สึกว่าโ ย, ายมทําได้ดีตอนช่งชวงเช้าอะค่ะะอาจารย์ อ, อย่างตอนเช้ามันยังมีสติอยู่นั่งสมาธิได้นานพอออกจาก อีกก็รู้สึกว่าเรายังมีสติในการดูตัวดูกายดูใจว่าทำอะไรแต่พอเริ่มทำงานพ๊กมันเริ่มถูกซีเลียนเข้างาค่ะอาจารย์มันไปกับมันมันไปกับงานไปกับผ้าผ้าไหนไปมันเเพื่อนชวนไปงานฟูดโชว์โมก็บอกว่าจะไปทำไมงานฟูดโชว์มันเราทำงานอยู่ที่นี่งานก็เยอะแยะจะต้องไปทำไมอีก ก็สรุปเหมือนกับว่าที่ทํางานเขาอยากให้เราไปเราก็ต้องไปคุยไปคุยมาเขาก็บอกว่าอเูเขามีแซมโป้ของกินเยอะแยะนะโยงก็แพ้อาหารกับอาจารย์โยงก็บอกว่าวนี้เราต้องเอากระเป๋าเดินทางเลยไม่ได้จะได้เอาแซมโป้กับมาจะลองชิมเยอนะๆแล้วอรู้ตัวทีก็โอ๊ยตายแล้วเรา<อ>เรา<ด>แพ้กิน แ, แ, พ แ, พแพ้ไปแล้วคร่ะ มันมันึกถึงปฏิพูลของอาหารมันเกถึงตอนที่มันเข้าปากไปเข้าไปในท้องแล้เป็นปยังไงนึกนะคะพระอาจารย์อย่างตอนอเล่าวันอาทิตย์อะไรย่างเงี้ยค่ะยมก็รู้สึกว่าอถ้าเป็นของเราเองจริงๆรยมก็ไม่รังม <c oughs> ันก <c oughs> ็ก็ประมาณอย่างคะ่ะพระอาจารย์ยมรู้สึกว่าโอ้มไม่ได้เรายมต้องปฏิบัติให้ดีกว่านี้ครับต้องมีสติให้มากกว่านี้มันจะได้มันจะได้ตั้งใจให้มากขึ้นนะค ะ, ะแล้วอย่าง ก่อนโยมไปช่วยงานที่วัดนะคะเราก็แอบคิดว่าเราน่าจะปฏิบัติได้โอเคพอเวลาต้องพูดคุยกับคนอื่นเราก็พูดคุยกับคนอื่นแต่พอเวลาเราเอยู่กับตัวเองเราก็กลับมาพุดโธพุดโทอันนั้นเป็นวันซ้อมอะคะ่ะแต่พองานวันจริงนิยมไปนั่งหน้าเวทีเราว่าแพ้แพ้หลุดลุ้ยเลยค่ะก็เลยต้องกลับมาเอาใหม่เอาใหม่เริ่มใหม่แต่มันก็จะทําได้ดีเฉพาะช่วงสาปดคิด์ที่มีเวลาค่ะมันธรรมไดาก็ ได้เพกิปะปประสบะการณ์ ม, มันก็จะสอนเราไปในตัวคือ ม, มันดึงขึ้นอะค่ะอาจารย์แต่มันก็ยังยั ง, ยงก็ยังหลวมไปอยู่ดีอะค่ะถ้าไม่มีประสบะการณ์ใน ม, มันนั้นก็อาจจะหลอกตัวเราเองได้ว่าเราเก่งฮะค่ <laughs> ะอาจารย์วันนั้นนังกลับมาเราก็บอกอ้เรานั่งหน้าเวทีร้องเพลงทั้งวันเลย <laughs> เรารไม่ไหวเราต้องกลับมาจเจริญสติใหม่อีกร่ <laughs> หาหนึ่งพระอาจารย์ก็ ประมาณนี้ค่ะก็ยังต้องทําต่อเนื่องค่ะทุก <c oughs> คนยั ง, งทําถ้ายังไม่ <c oughs> ยังไม่ถึงฝั่งก็ต้องว่าไปเรื่อยๆมันยากมากเลยค่ะพระอาจารย์ผมรู้สึกว่าเราศาสตร์ตั้งใจตั้งใจมาแต่เวามันหลุดมันหลุดยาวไปเลยมันมันยากอะค่ะก็ก็ต้อพยายามยากขนาดนันก็ต้องพยายามชั่ไม่ถอย น, นะทุกนะวันนี้เวลาที่เรานึกขึ้นมาได้เราก็กลับมาเจริญสติต่อกลับมาพุทโธ กลับมาตั้งหลักใหม่ค <spoke> ล <Hebrew> <unm> ับมาตั้งหลักใหม่าแต่พอเวลาหลุดออกไปแล้วมันกลับมาใหม่ก็อย่างที่ว่าว่ามันต้องใช้เวลาเสียเวลากลับมาทำอีกรอบหนึ่งแล้วเราสูกโอ๊้ทําไมโดนก็มาเป็นบทเรียนสอนเราตามไม่อยากให้เราเนี่ยปล่อยให้ค่ะว่าอาจารย์ค่ะก็ที่ผ่านมาก็ปฏิบัติได้ประมาณเนี้ยค่ะอาจารย์ก็วันนี้ก็นะเจ้าคะขอบคุณนะโอเคไปที่คุณจอยพัทยาจอย เป็นยังผู้นี้ใส่บาตรผู้นี้วัดพระมันใส่าบาตรนะเนาะไปค่ะผู้นี้ไปใส่บาตรเหมือนเดิมแล้วไปขายของต่อก็ไม่ได้ตั้งตั้งแ่หลังของการมายังไม่ได้ขายเนี่ยตั้งหลักไม่ยังไม่ได้ตั้งหลักเลยใช่ค่ะยไว่ตั้งหลับตั้งหลักหือว่าอยากจออย่างอื่นไวปไปร่วมด้วยยังคิดอยู่ว่าจะทำอะไรเพราะคนเขาเริ่มเบือ่อตัวเขา เอมีอะไรไหมอืมก็ปฏิบัติเหมือนเดิมก็มีบททดสอบอยู่ทุกวันก็ทําอยู่ทุกวันคะแล้วผ่านหรือเปล่าก็ตกก็ตอนนี้ก็พอผ่านได้ก็อย่างแม่พูดอะไรน้องพูดอะไรดีแฟนพูดอะไรก็เขาได้บ้างใช้สวดถามย่อสี่ย้อนยอมหยุดเย็นยิ้มอ่อเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่มีประโยชน์กับการที่เราจะไปอะไรอ่ามันเริ่มมันเริ่มคิดได้ว่ามันไม่มีประโยชน์แล้วอะไรก็ปล่อยไปเบาๆเนี่ยไปเาๆ เอาที่ตัวเราดีกว่าให้มันมั่นๆ่นดีกว่าค่ะเผอไฟจะลุกหัวแล้วยังไม่ทำอะไรก็ต้องรีบทำ <Okay. S 2> โอเคเหพวกนี้ใจ่มมับโอเ ค, <Okay. S 2> อเคไปที่เรียวอาบีสะเรียวทำอแม่ยิ่งบ้แม่ยู่งบ้า <c oughs> มัานตาง <c oughs> กนันใช่ไหมฮอลกหล <c oughs> ้ากิเลสอยู่เจ้าค่ะกิเลสกิเลสอนี้ เรื่องทานนะเจ้าค่ะหลวงพ่อพอดีทั้งที่แล้วก็ผ่านแล้วก็เมื่อกี้ก่อนก่อนเข้าเข้าซูมแล้วรีโอเขาก็ชวนคุณแม่ผ่าปลาแซล ม, มอนนี่เค่ะ <c oughs> กขาบอกไม่ได้วันนี้บอลพาลูกเลยเที่ยงแล้วคุณแม่ไม่ทานไม่ไม่ไม่หลุดค่ะแต่ว่ายังมีความอยากอ ย, กอยู่เจ้าค่ะหลวงพอ่อว่าใกล้ซัมเมอร์แล้วก็ไปยืน ซ, ซื้อชุดว่ายน้ําแล้วก็ยืนต่อแถวแล้วค่ะ แล้วก็กําลังจะถึงคิวที่จะจ่ายตังค์แล้วก็สติขึ้นมาเจ้าค่ะแล้วก็เดินเราไปเก็บโอ้ชนะเจ้าค่ะลวงพอเจ้าค่ะเจ้าค่ะก็ดีก็ดีเดี๋ยวเดียวต้องบิดเสียงของเราหน่อยเดี๋ยวมันก้องกลับมาโอเคใช้ได้ใช้ได้แล้วใช้ได้ไม่มีเสียงก้องกลับมา้ว ออเมาที่อะัรครับได้ยินไหมครับได้ยินดีมีอะไ ร, รไหมนอกจากมีอะไรนอกจากชุดว่ายน้ำเรามีอะไรเมื่อที่ที่ที่ไม่ซื้อได้ไม่ไม่ไม่มีเฉพาะหลวงพ่อก็ไม่ไม่ไม่ได้อยากอะไรเจ้าค่ะไม่ได้อยากอะไรเจ้าค<น>่ะไม่ค่อยอยากนะอะไรคนที่มีจะกินก็มีปัญหานะต้องสู้กับความอยากกินอยากมีนะเจ้าค่ะ เวลาไปทานนอกจากเหมือนไฟบังคับก็เจ้าอคอะหลวงบ้านนี้ลูกเรื่องอาหารนะคะเจ้องบางทีมีแสกหรือว่ามาอะไรอย่างเงี้ยนะเจคะแต่ลูกก็อย่างวันพระกับวันพุธนี่ลูกก็ถือเป็นวันพะอย่างวันเนี้เรียวไปได้วันนี้วันพะเกินเที่ยงเที่ทยแล้วแม่ไม่ทานแล้วก็ผ่านแต่ว่าบางทีก็มีเผลอนะเจ้าค<ม>่ะบางทีไปหาหมออย่างเงี้ยค่ะแล้วเป็นวันพระอยู่วันหนึ่ง แล้วก็ออกจากร้านหมอแล้วกับลีโอก็ไปร้านกาแฟแล้วเสร็จก็สั่งอ๋อลีก็สั่งอันนี้ให้ให้คุณแม่ด้วยสั่งเสร็จแล้วก็เดินไปเข้าห้องนะ้ำพอไปนั่งห้องนะ้ำปุ๊บสติมันกลับมาแล้วก็เดินมาบอกลูกอุย๊ยวันนี้วันพระคุณแม่ไม่ทานนะลูกหูทานแทนคุณแม่ที่สั่งมาเมื่อกี้เจค่ะก็ยังทันอยู่จะเข้าหลวงพ่อนะค่ะถ้ า, ถาไม่ท<ม>านก็สแสดงว่าแสดงว่าเสีเยว่เหมือนนอนฝันยังฝันยังฝันหนำดึตงตาฝันเลย <laughs> เจค่ะก็ต้องต้องเจริญรู้เลยว่าเตือนตัวเองว่ามันต้องเจริญสติอยู่ตลอดเวลาว่ามันเผลอไม่ได้สค่ะก็ค่ะเจ้าค่ะก็จะไม่ไม่หลุดเค่ะหลุไปเรื่อยๆต่อไปก็ืมันก็จะเป็นที่ใสมันจะไม่ลืมเพราวันข้ามันดูเลยทําทอะไรไม่ได้มันเจ้าค่ะก็จะอัตโนมัตินะเจ้าค่ะเจ้งค่ะน้อยน้อยน้อยมากนอกจาก มีมีแขกมีแขกที่ที่มีแขกผู้ใหญ่ที่ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าสามีมางทีเขาเขาก็เหมือนรู้เขาก็จะบอกแทนเราว่ า, าวันนี้เขาไม่ได้นะบูดาเดจสมีนเขาก็จะเหมือนบอกแทนเจ้าค่ะเม้าค่ะรลวงพ่แค่นี้เจ้าค่ะโอเคพยายามทำไปเรื่อยนนะเดี๋ยวตอา น, นี้ยังไม่ต้องกลับไปเรี่ยนนะ เพิ่งตลับมาจากอังกฤษเมื่อวานครับตอนนี้อยู่ทีปีวันอ๋อตอนนี้ปิดปิดยาวแล้วครับเพราะปีแรกมินิทำใหญ่เลยครับเพราะปีแรกไม่มีสอบเหมือนเหมือนมีแค่ assignment อย่างเดียวซึ่งเราซึ่งตอนนี้ไม่มีไม่มีออนไซตคาลแล้วเพราะเหมือนเราเรียนที่บ้านได้เพราะว่าแต่ก็ยังต้องต้องมาติดต่อเรื่องฟุตบอลที่เมืไทยว่ะ ก็ตอนนี้ก็รอเรื่องงานอยู่ครับแต่ก็ยังตอนนี้ัไม่ค่อยมีอะไรแต่อาจจะมีประมาณเดือนหน้าหรืออะไรอย่างงี้อาจจะมีงานเข้ามาแนะอาจจะต้องไปแต่ก็ยังไม่มีแต่ยังไม่มี c อ e กรีตแผนแผนครับอืมรายได้ดีไหมงานนี้ก็ดีครับถ้ามีงานก็ดีคุ้มการแล้ามันค่าค่าตัวก็เื่นงมืออ่าคุ้มครับถ้าเกิดบังทีก็ถ้ า, ถ, าถ้าได้ก็เยอะอยู่ครับ คุมค่าถูกพวเอเจนต์ฟรีเลยมีเขาจ่ายถูไม่ใช่ทํำไปถ้าเป็นแทบตายไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้อย่างนั้นเลยหมดเลยกับค่าใช้จ่ายใช่นะครับไม่ใช่ทำไปแทบเป็นแทบตายแลย้วก็ไม่ได้อย่างนั้นเลยหมดไปกับค่าใช้จ่ายใช่ไม่ไม่ครับตอนนี้ทําก็คือถ้าถ้าเขาออกให้เราเราก็เราก็ไปทุกอย่างต้องมีต้องต้องต้องคืนค่าลงทุน เอออย่างโล่นะทำงานเงตนลงฉลาดองกำไรไรเงี้ทำขาดทุณก็อยากไปทำครับโอเคนะครับขอบคุณครับอาจารย์รสังาอาย์คุณหม okay. okay. okay. okay. okay. อนาทีุ่ณหมอหน้าที่ครณหมอครับนักวิชการอาจารย์ครับเป็นไงบ้างคุณหมอสบายดีครับไฮะ มาคาวที่แล้วสงบเลยครังที่แล้สงบดีครับบางทีเราก็มีมีช่วงช่วงวันวันแรกที่ร้อนก็ก็จะต้องปรับตัวนิดหนึ่งครับไปเหมือนจะป่วยวันแรกรแต่ว่าพอหลังจากปรับตัวได้ก็ ก, ก็ก็ดีครับนะมาแล้สงบอยู่อยู่สงบสง บ, สงบเยอะเลยครับเพราะว่าเหมือนไปพิปจารณากายมีสติมันแ้วมั น, ม, นมันได้ความรู้ใหม่แบบก็แปลกดีครับแล้วแต่ว่าพอเรจะกลับ พอดีต้องมาส่งลูกสาวก็จะจะก็จะก็จะก็กลับกลับมาเหมือนเดิมใช่ไหมช่วงนี้ผมก็ฟังทำอะไรไปเรื่อยครับแล้วก็พยายามศึกษาอยู่ครับนะอนนี้ยังไม่มีคําถามครับพอดีพอดีพอดีฟังเทศหลวงปูชนิย์อยู่เรื่องแต่ว่ายังยังยังยังยังยังแล้วก็มีติดอยู่นิดนึงครับแต่ว่าพอดีเดี๋ยวเ๋ยวขอขอเรียบเรียงให้ดีแล้วครับว่ามาถามพระอาจารย์อยู่ครับนะ ครับเขากขคิด <improvis> ว่ามันยังแต่ว่ายังยังยังยังยังตีตีโจทย์ไม่ไม่ไม่จบเลยทีเดียวครับได้ไสะดวกเท่าไหร่ก็ได้นะครับครับผมครับไปที่คุณตนพราชาคุณตูนคูณได้ไหมอธิบายได้ไหมคุณได้ได้เจ้าค่ะ ภาพถ่ายามาเป็นยังไงมีอะไรไหมทาไมฮะปิดแล้วปิดแ้ไมฮะฮะโอเคพูดได้ฮะกราบธรรมสกุลค่มามาฟังธรรมค่ะพระอาจารย์ยู่คราใช่ง ไ, งไดเจ้าค่ะพอดีน้องที่เป็นที่อยู่สั ต, ตหีบนะคะพาพา แฟนมามารักษาตัวด้วยค่ะที่ที่โรงเรียนโรงเรียนใช่ไหมทีเเเ่เป็นครูเป็นครูใช่ไหมใช่ใช่ค่ะพระอาจารย์ก็ที่จริงแล้วไม่ได้เข้าห้องซูมเพราะว่ามีมีภา ร, รกิจค่ะพระอาจารย์แต่ว่าฟังอยู่ข้างนอกตลอดนะคะเราก็น้อมนำไปปฏิบัติอยู่เสมอเจ้าค่ะไม่ไม่ได้ทิ้งค่ะแต่ว่าไม่เข้ามาในซูมเ <laughs> จ้าค่ะ ทาไปทด้เรื่องนะเจ้าค่ะขอบพระคุณมากค่ะเดี๋ยวนอกพระจะเข้ามากับนมัตการพระอาจารย์นิดนึงใครนะน้องพอาจารย์จ้าคข่ะแต่วมากับพระอาจารย์แบบแบบน่ามากัอ่ไปอยู่โคราเลยตอนนี้อยูโคราบเจ้าค่ะเราจะกลับเมื่อไหร่คะ กับวันเสาร์เจ้าค่ะพระอาจารย์สามีมารักษาตัวนะค่ะสามีมารักษาตัวพระอาจารย์พาสามีมารักษาตัวเจ้าค่ะพระอาจารย์ลูกสาวมาด้วยเปล่าลูกสาวทางานเดค่ะก็ขอให้หายเร็วๆนะรักษาุเจ้าค่ะถามอะไรหมเรียบร้อยแล้วคุยกัคสค่ะถกเจ้ค่ะถูไปที่ท่านต่อไปมตาย หลวงพทิทยาเพิ่งตายเงินชื่อตายแต่ปฏิบัติแบบเตานะไม่ไม่ไม่ไม่ย่อยหย่อนปฏิบัติเรื่อยๆจะหลุดไปบ้างครับอาจารย์ตอนสดการ <c oughs> มีทั้งเดินในรูปวิ่งแล้วก็ออกนุ่ออกน อ, อกนูปค่ะแต่รู้รู้ว่าออกนอกรูปแต่ก็ยังทำอะครับอาจารย์ห้ามใจไม่ได้ห้ามใจไม่ได้ค่ะไม่ได้เจอเพื่อนนานก็เลยแบบว่า ห่า ง, ง, <laughs> งทำไปนิดหนึ่งค่ะอาจารย์แต่ก็แต่ก็ถือว่าหลุดนะคะก็ได้ทำดีที่สุดของตัวเองแล้วก็ทำแย่แย่คือมันปนกันไปหมดเลยอาจารย์แต่ก็นับนับรวมแล้วก็คือบวกรบก็ยังอยู่ในเกณฑ์ดีอยู่ค่ะอาจารย์อลอลอกูกค้าไปก่อนนะค่ะ <laughs> ก็ไม่มีอะไรค่ะ่อาจารย์แต่ก็ตอนนี้กำลังเดินพยายามตั้งแต่ให้เข้านอกลูกเอ้เข้าเข้าในลูกแล้วก็เจอนะโอเคยามกลับมาสติมาสมาธินะก็ค่ะค่ะาคุณแม่แอคุณนอนท่านี้กบมาสกแกค่ะท่านอรยเมื่อวันอาทิตย์ ที่คนขอเป็นลูกศิษยพอาจารย์เดียวเลยค่ะ uh huh. เป็นจากตัวเป็นลูกศิษยพระอาจารย์มาสองปีแล้วนะคะ uh huh. ช่วงแรกๆนี้ลมลูกคลานมากๆเลยค่ะ uh huh. แต่ว่าก็ใช้ธรรมาดุสติมาตลอดค่ะ uh huh. จนปัจจุบันนี้อยู่กับลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโคลมาเลยค่ะก็ชีวิตอายุสามสิบห้าคือพลิกพลิกใหม่เลยค่ะเหมือนเกิดใหม่เลยค่ะแล้วก็ แต่ขอไม่เกิดอีกแล้วค่ะจน้อมนาคาสอนพระอาจารย์มาใช้เป็นประโยชน์มากๆากเลยเจ้าค่ะต้องขอขอบคุณพระอาจารย์มากๆากนะเจ้าค่ะเธอค่ะขอให้ไปตามความปรารถนานะค่ะสาธุค่ะขอบคุณค่ะพระอาจารย์วันนีคุณเหนงนไจดีที่ไหนคุณเหน่งมันมีสองเด็่งอาเน่บดก่อน สวัสดีคะ่ะพระอาจารย์อยู่ทีไ่ไหนคุณเองอยู่บางนาค่ะพระอาจารย์ที่วันนั้นไปใส่บาทพระอาจารย์นะคะแต่แวตเวลาคนะเยอะค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์ค่ะคําถามวันนี้ก็จะถามว่าการที่เราภาวนาพุทโธอะค่ะกับสติปัฏฐานสี่ะค่ะต่างกันยังไงอะคะหรือว่าพุทโธอยู่ในสติปัฏฐานสี่หรือไม่อย่างไรเจ้าคะอยู่ในสติปัฏฐานสี่ แทนในสน 4, ติปัฏฐานสี่แทนที่ใช้ ใ, ใช้พุทโธให้ใช้นามกายเอาแทนให้ใช้ให้เราเฝ้าดูการขึ้นไหวต่างๆของร่างกายเป็นการเจริญสติได้ในการใช้พุทโธแทนกันได้ใช้แทนกันได้เจ้าค่ะในสติปัฏฐานมันมีการปฏิบัติสติมีการนั่งสมาธิแล้วมีการเจริญปัญญ า, าขั้นหนึง่งกันนี่แหละมีในสติปัฏฐานเจ้าค่ะ แต่ขั้นแรกให้เราฝึกสติก่อนในเฉลยประทานให้เรามีสติอยู่ะกับการเคลื่อนไหวของร่างกายแล้วก็ดูการเคลื่อนไหวทุกเรียมน่ะแม้แต่ไปเช่นทางทางซ้ายปฏิบัติสายภาพปานิชยท่านจะนิยมใช้พุทโธแทนกานให้ดูร่างกายแล้วก็ใช้ได้ด้วยควบคู่กันไปได้พุทโธไปด้วยแล้วก็ดูว่าเราเรากลังทําอะไรไปด้วยอะไรว่าปูเหมือนไปเจ้าค่ะ ต้อหมาก็คือให้เราได้หยุดคิดมาให้คิดเลือยไปคิดแลาฟุ้งซ่านคิดเล้วใจจะเบาจะเย็นเวลานั่งสมาธิใจก็จะสงบได้เจ้าค่ะอีกคำถามหนึ่งเจ้าค่ะทุกวันนี้ก็เดินจงกรมสามสิบนาทีแล้วก็นั่งสมาธิสามสิบนาทีเจ้าค่ะ อ, อ, อยากจะขอคำแนะนำจากพระอาจารย์นะคะว่า ถ้าอยากก้าวหน้าในการปฏิบัติให้มันมากขึ้นนะคะควรจะปรับยังไงคะก็เพิ่มเวลามากขึ้นนี่เด<า>ินเนี่ยมันชั่วอโมองนั่งเป็นชั่วโมองเดินเจ้าค่ะถา้ถาทํามากผลมันก็จะปรากฏขึ้นมามากทําน้อยผลมันก็ปรากฏขึ้มาน้อยนั่นเเจ้าค่ะเราเพิ่มเวลาการปฏิบัติให้มากขึ้นเนะจ้าค่ะ ไม่ไม่มีอะไรแล้วเจ้าคะ่ะกลับขอบพระคุณเจ้าคะ่ะอนุโมทนาบุญเจ้าค่ะมรสรัตทะเลและปูจัมรสการพอาจารย์เจ้าค่ะได้มีกับหางจ้าพระอาจารย์โอเคใบที่เป็นปาม่ไรสามยอดสี่ยอห้ายออะไร้ค่ะยอแล้วเจ้าคะ่ะกลับขอบพระคุณเจ้าคะ่ะพระอาจารย์ค่ะที่ผ่านมาคะ่ะก็ใช้ทั้งหาเลยเจ้าคะ่ะ ใช้ทุกๆวันอยอยามหดเย็นแล้วก็คู่คนหลายๆคนที่เราทํางานด้วยเราก็รู้ว่าเขาโกรธเขาแย่งชิงอต่อสู้แล้วก็รวมทั้งหักหลังเนี่ยค่ะแต่พอเวลาไ ป, ปเผชิญหน้าเขาอค่ะเราก็ใช้สูตรที่พระอาจารย์สอนน่ะยิ้มแล้วก็คุยปกติเพื่อหนูก็มีความูว่าพอหนูยิ้มแล้วคุยปกติเขาอะมันล้วก็เหมือนมีแต่ความเมตตาค่ะเอาแต่ เอาความเปรียดชังหรือความไม่ชอบเขาออกเราก็เราก็แค่คิดว่าไอ้ที่เขาทําไปก็คือความได้รู้ค่ะถ้าเราพูดดีแล้วเขาก็พูดดีกับเราถ้าเราพูดไม่ดีเขาเขาก็จะพูดไม่ดีกับเราค่ะก็พอเขาใช้อย่างนี้ทุกวันนะคะมันเหมือนกับพลังจีเราตอนตอนทํางานนะคะแบตบเราเต็มสิบเปอร์เซ็นพอตอนเย็นนะคะมันเหนื่อยมากเหมือนเราเป็นถังขยะแล้วเราก็รับ พลังงานลบเยอะๆมัเลยทําให้แบตโลแต่ว่าหนูว่าพอกลับมาบ้านแล้วหนูเหมือนแบบก็หายมากคืออยากเข้าสมาธินั่งสมาธิอค่ะพอนั่งเราไปมันก็เย็นแล้วมันก็พอออกมาปุ๊บเราก็เลยใช้ปัญญาว่าถ้าเราไม่เอาเหมือนพระอาจารย์สอนเมื่อสักครู่เนี่ยคะว่าถ้าเราไม่เอาเรื่องเหล่านั้นนะ่ะเอามาใส่หัวเราแล้วเราเอาออกไปซะมันก็จะสบาย หนูก็เลยทำแบบเนี้ยค่ะทำทุกวันจนเมื่อวานเนี่ตยตอนแรกฟังภาษาปิดแล้วก็ไปนั่งสมาธิที่กว่ามันก็เลยพอออกมาแต่ละครั้งมันก็เลยโลงนะ่ง่ะก็ปฏิบัติบูชาเหมือนเดิมนะจ๊ะค่ะอีนะจ๊งคขอบพระคุณเจ้าค่ะไอ้นีคนมาเลยทุกอากาศาไมเ่เป็นอะไรเ่าหลวงพ่อค่ะอยู่ทาอากาศค่ะหลวงพ่อ ก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรถามค่ะอย่างเรียบร้อยดีนะการปฏิบัติหน้าเพื่มดีดีค่ะแต่ก็มีมีข้อสอบเข้ามาค่ะเมื่อวันอาทิตย์คือลูกชายเขาเป็นโรคลมชักอะค่ะเป็นเป็นโรคประจําของเขาแล้วเขาก็ชักแบบเหมือนหมดสติแบบเหมือนอาจารย์แย่แล้วมือเก่งตากเขียวแล้วอะไรนะค่ะแต่ว่าหนูก็ ไม่ได้ไม่ได้ตกใจไม่ได้ร้องไห้อะไรเงี้ยค่ะคือเขาเขาไม่รู้สึกตัวอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าแม่หรือว่าคนที่อยู่ในครอบครัวค่ะเขาก็ร้องไห้ร้องห่มอะไรแต่เ น, นี้ยแต่หนูอะ่ะไม่ได้ร้องไม่ได้อะไรก็ทําไปตามหน้าที่ตามสภาพก็ดูแลเขาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาก็ฟื้นฟื้นกลับขึ้นมาก็ดูแลรักษากันไปอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อ แต่ทีนี้เราเรานิ่งเราเฉยเราไม่ได้ร้องไห้ก็เหมือนเราเราไม่ได้รู้สึกว่าเออเราเราจะต้องมาเสียใจหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อเราก็เฉยเฉยอย่างเงี้ยค่ะคือคนที่เขาเห็นเราอะเขาจะรู้สึกว่าทําไมเราเราไม่รู้สึกอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่ออธรรมดาคนทั้งโลกกับคนทคั้งธรรม มีการพรัฒนที่ไม่เหมือนกันบนทําทํารมก็ก็เ <_ C 1> บิกขาวางเฉยไม่ตื่นเต้นตกใจไม่ดีใจไม่เสียใจบนท้งโลกว่าต้องตืง่นเต้นตกใจดีใจเสียใจไปตามเรื่องเขาแล้วแล้วทีนี้ฝึกหนูก็เลยบอกว่าให้ให้ทุกคนหยุดร้องไห้แบบไม่ให้เขาร้องอะไรอย่างเงี้ยคําคุณพ่เพราะว่าห้ามเาไม่ได้หรอกเขาไม่ได้ฝึกมา คือมันมันจะเหมือนแบบไม่มีสติอะไรเงี้ยค่ะหลวงพ่อใช่เขาไม่ได้ฝึกมาอะไรนี้หนูก็เลยทําไปตามปกปติก็ดูแลแล้วก็เหมือนผสมพยาบาลเบือ้องต้นคือเป็นเป็นแบบเนี้ยมาตอนแรกหนูค ห, หนูก็ไม่เคยเจอแบบนี้แต่ว่ามันเหมือนเวลามันจะสอนให้เรารับความจริงไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งเราเราไม่ได้เราไม่ได้ เราไม่ได้รู้สึกอะไรเราก็เฉยๆ อ, อ, อย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อได้เหมืนหยน้ำบนใบบัวน้ำบัดกันแต่ไม่ไม่เสื่อมสภาพนัไม่ดูดค่ะค่ะไม่เบียวแล้วลแล้ ว, ลวค่ะพอมันเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ค่ะหลวงพ่อมันมันมีความคิดแว บ, บเข้ามาเลยหัวหนูอ่ะมันบอกมันบอกว่าตอนนี้เรากําลังวิ่งเข้าหาความตายชุกนาิีอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อมันเห็นแบบนี้ค่ะหลวงพ่อ ใช่แล้ว น, นั่นคือความจริงตวามตาย ม, มันเข้ามาหาเราอยู่ตลนะอดเวลาจะแมาถึงเ ม, มืเมมม่อไหร่ก็ได้หเองค่ะหลวงพ่อหนูก็มีความรู้สึกว่าต้องต้องต้องเตรียมตัวให้ให้มากกว่านี้ดีกนะคะหลวงพ่อเพราะว่ามันมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลายะคะ่ค่ะใช่ไม่หวั่นไหวไม่ไม่ต้องไม่ตกใจไม่ต้องอะไรมาถึงก็ ไปเลยเห็เวลาไปก็ไปเลยค่ะแล้วพอมาเมื่อคืนหนูก็ดูดูเขาดูแลไปปกติแล้วถึวลนหนูก็ไปนั่งนั่งปฏิบัตินะคะหลวงพ่อมันก็เลยปฏิบัติยาวไปจนเที่ยงคืนกว่าอเงี้ยค่ะหลวพอ่อก็ปฏิบัติทุกวันแบบเนี้คะ่ะหลวงพ่อทําให้เรารู้สึกเหมือนเหมือนว่าเราไม่ต้องไปเขาเรียกว่าอะไรตื่นเต้นหรือว่า ต้องคิดอะไรเลยเพื่ อ, ของขาอาจารย์บอกเป็นเรื่องธรรมดาเรามีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมด า, มมาเป็นเรื่องธรรมดาวันหนึ่งเราก็ต้องเดินไปถึงตรงนั้นเหมือนกันค่ะหลวงพ่อใช่เป็นเรื่องธรรมดาไหมันตื่นเต้นตกใจทำไมค่ะหลวงพ่อโอเคนะทำไปนะแล้วก็ ค่ะแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีหนูก็เลงไว้อะค่ะหนูจะไปปฏิบัติอีกนะคะหลวงพ่อไปไปที่ที่อยู่วัดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ เ, เลงไว้แล้วใช่ในที่ไหนไปได้ก็ไปถ้ามันต้บไปแล้วได้ประโยชน์กวอยู่บ้านก็ไปค่ะหน็นพอวันนี้รายงานประมาณ น, นี้นนะคะ่ะใ่สามชั่วโมนขอบพระคุณขหลวงพ่อสาธุค่ะคนเรีนยาพันุ น, นื้อรำยาพันธ ท, ท, ท่าน ชื่ออจารย์ะน้องอานให้ฟังหน่อด้ไมรัตการค่ะพระอาจารย์ชื่อลิงหยับพัดค่ะลิงหยับพัดเนี่ยใช่ค่ะอยู่กรุงเทพค่ะพระอาจารย์อยู่พัฒนาการค่ะพอะดีเมื่อประมาณสักอหกปีก่อนเคยเข้ามาถามพระอาจารย์อ่ะอาจจะไม่ถึงน ะ, ะเคยถามพระอาจารย์เรื่องเสียงในหูค่ะแล้วก็พระอาจารย์ก็ แนวแนวทางมาว่าให้สักแต่ว่ารู้ก็นำมาน้อมปฏิบัตินะคะจนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีเสียงอยู่แต่ว่าก็เลิกลาคาญไปแล้วนะทีนี้ปัจจุบันนะคะพระอาจารย์ก็คื อ, อ, อไม่แน่ใจเรื่องการทําสมาธิของตัวเองนะค่ะว่าเ อ, อพอเวลาที่นั่งสมาธิะค่ะพระอาจารย์เหมือนใจมันก็จะน้อมไปแต่สงบเยียงเดียวเลยะค่ะพระอาจารย์ทีนี้พอมันไปสงบมันก็เหมือนมันไม่ได้พิดจะเหมือนมันไม่ไม่ได้พิจารณาหรือว่าไม่ค่อยได้วิปัสสนานะค่ะ อ๋อมันมันไม่ได้เป็นเป้าหมายของการนั่งสมาธิไงวิปัสสนานั่งสมาธิแพื่อใจนี้ยงอย่างเดียววิปัสสนานี้ยเราทําตอนที่ไม่ได้ไม่ได้นั่งสมาธิตอนที่ออกจากสมาธิมาแล้วเราไปทําวิปัสสนาอ๋อค่ะพระอาจารย์เอ่อแล้วก็ตอนนี้ก็เลยเอ่อที่ทํำมาค่ะพระอาจารย์ก็จะดูจิต ด, ดูจิตว่าจิต สุขหรือว่าทุกข์หรือว่าเฉยๆก็อาจจะมีแบบรู้เร็วบ้างรู้ช้าบ้างอะไรอย่างเนี้ยค่ะก็เลยอยากขอแนวทางในการปฏิบัติต่อจากพระอาจารย์นะคะอนนเอาแนวทางก็งคือให้ฝึกสมาธิก่อนให้ฝึกสติเพื่อให้เวลาหนั่งสมาธิให้ใจสงบแล้วเวลาจากสมาธิมาไม่ต้องไปดูร้ไม่ต้องไปดูใจให้ให้มาสอนสอนใจให้ให้ ให้เข้าใจธรรมชาติของร่างกายก่อนว่าไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเราเป็นอาการทางที่สองเป็นเรียนน้างลงไปมาสอนใจเลาเนี่ยเรวิปัสสนาการไปดูใจมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะเราดูใจแล้วเราหยุดมันไม่ได้เนี่ยมันดูไปก็เสียเวลาเปล่าค่ะอาจารย์พอดีมีคําถามนิด น, นึงนะคะอาจารย์ เออคือก่อนหน้านี้อะคะ่ะที่ที่แจ้งไปว่ามีดูจิตว่าแบบมีดูว่ามันสุขทุกข์หรือว่าเฉยๆะคะ่ะทีนี้พอดูแล้วก็งงงงว่าคือเหมือนมันมองเห็นนะคะพระอาจารย์ว่าโอเคเราควบคุมมันไม่ได้เลยแล้วก็มันเหมือนมันไม่ใช่ของเราแต่ทีนี้พอพอมันก็จะมีความคิดนึงที่เกิดขึ้นมาว่าแล้วถ้ามันไม่ใช่ของเราแล้วเราอยู่ไหนแล้วเราคืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะพระอาจารย์หาคําตอบไม่ได้ อ, ะอ่ะอืมปฏิบัติไปมันจะมันก็จะเจอคาตอบเองอันนี้ คำตอบก็คือมันมันการจินตนาการของของิจปรุงแต่งขึ้นมาเองมันใจหนเขียนนิยายเขีนนิยายว่ามีเราเราเป็นใจใจเป็นเราแต่ควาจริงใจไม่ได้เป็นเราตัวเรามันตัวปูุงแต่งตัวตัวสมขึ้นมาเหมือเวลาเราเขียนนิยายแล้วก็แต่งคนมีนายก็มีนายขอมีนายโน่นนายนี่ทำโน่นทำนี่มันก็เป็นการจินตนาการของใจเท่นี <idad> gente, ้ ตัวเราเนี่ก็เป็นจริจรจรจรตนะเกิดจากจินตนาการหังใจตัวจริงไม่มีกข้ดใจไหมตัวจริงก็คือตัวรู้ตัวคิดนี่ไม่ต้องไปสนใจให้มัาสนใจเรื่องร่างกายก่อนเพราเพราะว่าไม่ใช่เราแล้วก็ปล่อยวางมันให้ได้ก่อนไปล่อยวางร่างกายได้ไหมมันไม่ใช่เราเห็นไหมว่ามันไม่ใช่เรามองเห็นการเปลี่ยนแปลงคะ่ะพระอาจารย์เหมือนเวลามองดู แต่ว่าวางไม่ลบคือไม่ไม่ไม่เข้าใจว่าจะทําแยกมันออกจากเรายังไงนะคะพระอาจารย์ก็ปล่อยมันเลยมันจะเจ็บก็ปล่อมันเจ็บไปมันจะตายก็ปล่อยมันตายไปไม่ต้องไปไม่ต้องไปยื้อไม่ต้องไปไปห้ามเลยค่ะพระอาจารย์อย่าลองนําไปปฏิบัติต่อค่ะฝากตัวเป็นศิษย์มาหลายปีแล้วนะคะพระอาจารย์อน้อมนําคําสอนของพระอาจารย์มาปฏิบัติตลอดเลยค่ะพยายามเถิ สอนใจให้ปล่อยวางร่างกายให้ได้มันไม่ใช่ตัวเราไม่ใย่ของเรามันเป็นเพียงคนรับใช้เราเราอย่าไปคิดว่าเราเป็นมันมันไม่ได้เป็นเราตอนนี้เข้าใจว่าตัวเองเป็นจิตอยู่ตลอดเวลาเนี่ยค่ะร่างกายพอจะเข้าใจได้บ้างแต่จิตเนี่ยพอ ย, ยังไม่เข้าใจจริงๆค่ะว่ามันว่าจะจะแยกกับจิ ต, ต อ, ออกมา<อ>ยังไงตอ้องตีละอ ย, ย่างต้องแยก ต, ต้องปล่อยวางร่างกายก่อนเนี่ยแลค่อยไปศึกษาเรื่องจิตอีกทีเนึ่ยอันนี้ยาวทุ่เรื่องเข้ามาเอาทีเราเรื่องเรื่องปัญญานี่ต้องเอาที่เราเรื่รรยยอง อ, อาร่างกายก่อนอแล้วก็เวทนาแล้วก็แล้วจิตอีกทีนึ่ยกายวิธนาจิตไม่ได้ทาที เ, เดียวพร้อมเลยมดทำทีเราเรื่องเป็นสามโจทย์มันเป็นสามข้อโจทย์แรกก็คือร่างกาย จัดที่สองคือเวทนาจนุดที่สมก็คือจิตค่ะท่านท่คขอพระคุณท่านต้องทำของง่ายก่อน ง, ง่ายทีงงย่สุดก็กายแต่นั้นก็เวทนาแล้วให้ไปถึงตัวจิตอีกทๆนะอันนี้ก็ฝึกฝึกสตินั่สมาธิด้วยแล้วก็เวลาไม่นั่งสมาธิก็คอยสอนใจว่าร่างกายไม่ใช่เราร่างกายไม่เชี่ยงเหมือนเกิดแย่เจ็บตาย ห้ามมันไม่ได้ห้ามมันไม่ให้แกไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้ถึงเวลามันเด่นแก่ก็เราปล่อยมันแกไปถึเวลามันจะเจ็บก็เราปล่อยมันเจ็บไปถ้ารักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็ต้องอยู่กับมันไปค่ะคิดตามพระอาจารย์อยู่ค่ะถ้าเรื่องประมาณนี้ค่ะ แต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่าหลอกตัวเองหรือเปล่าปลุงไปเองหรือเปล่าแต่ว่าเท่าที่เข้าใจก็เวลาเจอปัญหาก็คิดแบบนี้ค่ะพระอาจารย์ทุกหรือเปล่าถ้าไม่ทุ ก, ก็แสดงว่าเราไม่ถ้าไม่ทุกก็แสดงว่าผ่านถ้ายังทุกอย่างเรายังไม่ผ่านค่ะตอนนี้ปัจจุบันถ้าใช้ชีวิตประจําวันนะคะความทุกข์ค่อนข้างกระทบน้อยมากเลยค่ะพระอาจารย์ จะทุกว์หรือจะสุขก็พยายามวางค่ะอาจารย์ยังไม่ได้เจอข้อสอบใหญ่เลยมไม่รู้คิดว่าอย่างนั้นค่ะอาจารย์ถ้าเจอเรื่องใหญ่ๆก็อาจจะยากเหมือนกันค่ะเป็นอะไรไปฮมองมอบกเป็นอะเลงนี้ก็ดูเรียจะผ่านไม่ผ่านค่ะอาจารย์ข้าใจค่ะโอเคนะค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์อ่าจออ่าไปที่คน อ่อ ค, คนคน 22, 22, 22, นี้คนนี้เรี๋ยวยิมใช้รหัสสองสองสองสองสองสองสองสามอ่ะได้ยินไหมครับอาจารย์ได้ยินค่ะในอ<ะ>่าไมเป็นรหัสไดเป็นเชื่ออ๋อไม่ทราบครับพระอาจารย์พอดีว่าช่วงนี้เข้ายากมากอ่าเดวก็พยายามเข้าก็เข้าไม่ได้ครับพระอาจารย์ก็เลยฟังทางเฟซบุ๊กเอาอ่ะคระับอาจารย์ ครับก็ไปที่วัดประจำอยู่แล้วนะคะพรอาจารย์ออืมทีนี้ก็ติตตาฟังหลายๆคนก็เจอบททดสอบเหมือนกันค่ะพระาจารแต่ก็เจอทุกวันค่ะพระอาจารย์ก็พยายามเข้าใจเห็นรับเห็นรับสติปัญญาเห็นรับมีถ้าไม่ทดสอบมันก็ไม่ก็ไม่ได้มันก็ไม่ปัญญาก็ไม่เกิดค nee. ่าพระอาจารย์ อทุกวันทุกวันแล้วก็อยู่ตลอดเวลาครับพระอาจารย์<ม>ก็เลยรู้ว่าเด็กนีน้ไม่พ้นแต่ก็ต้องยอมรับแล้วก็เข้าใจอ่ะครับพระอาจารย์<ม>ค่ะว่ามันมันเกิดขึ้นตามที่เราจะต้องอยู่ต้องเป็นนะครับเพราะว่ามันจะต้องมีการประทะอยู่แล้วใช่ไหมคะพระอาจารย์อ<ม><ม>ค่ะเพียงแค่ว่าเราจะเออรับกับมันยังไงอะคร่ะพระอาจารย์ก็พยายามเข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะ เราจะเท<ล>ากันเราจะท่ากันไม่เท่าแท้นะค่ะพระอาจารย์ค่ะบางทีก็วูบเข้ามาเหมือนกันนะคะพระอาจารย์เพราะว่ามันเหมือนใจแบบว่ามันเออเนาก็ ย, ยังรับรู้อยู่ว่าตัวเองก็ยังมีกิเลสอยู่ะคะ่ะพระอาจารย์ว่าอ๋อเรายังมีกิเลสอยู่เรายังมีความรู้สึกนี้อยู่แต่ก็คือพยายามรู้ให้ไวอันนี้ถูกต้องไหมคะพระอาจารย์ก็ ยายายพยายามปล่อยวางห้ไรอะไรปล่อยค่ะค่ะพอพอเรารู้ละมันเหมือนกับอ่าใจเราเหมือนมันปะทุขึ้นนิดนึงแล้วเราพยายามรู้แล้วอ๋โอเคเกิดขึ้นละอะไรอย่างเงี้ยคัะพระอาจารย์แล้วก็พยายามปล่อยแล้วก็รับมันแล้วก็รู้ว่าเข้าใจแล้วว่าเป็นปัญหาแล้วจะรับมันยังไงอ่ะค่ะพระอาจารย์มันก็จะทําให้ใจเราเหมือนกับว่าเราโล่งมากยิ่งขึ้นนะครับพระอาจารย์อืมสบายมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็คือว่า อหมายถึงว่าเราอ่ะจับจับจุดจับใจของเราเนี่ยได้ถูกต้องใช่ไหมคะพระอาจารย์ใช่แล้วเริ่าเห็นจิตเห็นตัวจิตแล้วขาะให้ขาะพระอาจารย์คือแบบรู้เร็วอ่ะค่ะพระอาจารย์แต่ว่ามันยังมีแบบปุบขึ้นมานิดนึงแตออ่ก็เลยแบบให้รู้ให้เร็วอ่ะค่ะพระอาจารย์แล้วก็ลวปล่อยไปปล่อยไปแล้วก็เลยรู้สึกว่าสบายขึ้นค่ะพระอาจารย์แต่มันประทะ แบบเยอะมากครับอาจารย์แต่ก็เข้าใจครับเพราะว่าเรายังยังอยู่กับครอบครัวที่ที่ใหญ่อยู่อยากปลุกทั้งเด็กทั้งคนแก่เยอะแล้วก็ข้างนอกเยอะบางทีไปสอนหรือไปอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เยอะแล้วก็ทํางานมันมันค่อนข้างที่จะหลากหลายแล้วก็เจอผู้คนแต่หนูก็ถือว่ามันเป็นการเป็ น, เ ป, นเป็นบททดสอบอะค่ะอาจารย์ที่ให้เราได้รับรู้ค่ะว่าการที่เรามาเจอแบบนี้ มันก็เป็นสิ่งที่ดีอ่ะค่ะพระอาจารย์อันนี้หนูไม่รู้ว่าหนูคิดอถูกหรือผิดแต่ว่าหนูรู้สึกว่าใจมันเบามากยิ่งขึ้นค่ะพระอาจารย์ก็มันเป็นข้อสอบนี่นข้อสอบให้เราฝึกสติปัญญาค่ะเรามีสติปัญญาแล้วก็ทําให้เราก็ทําข้อสอบใช่ใจเราก็เบาอย่างสบายค่ะพระอาจารย์อถึงแม้ว่ามัน บางคนเขาก็บอกว่ า, าทำไมทําเย็นจังทําไมทําสบายจังผมงก็บอกว่าไม่รู้จะรีบร้อนไปอะไรนักหนาเออเพราะว่ารีบร้อนมาทั้งชีวิตแล้วแต่ตอนนี้ก็คือว่ า, ารีจะตักตวงทางด้านอา ท, าทางทางธรรมให้เยอะมากที่สุดคะ่ะพระอาจารย์เพราะว่าคิดว่าชีวิตมันเหลือน้อยแล้วแต่ว่าก็ต้องทําหน้าที่ในทางโลกให้มันดีที่สุดคะ่ะพระอาจารย์ก็จะปฏิบัติหนะต่อไปค่ะแต่ว่า ก็ยังมีมีอะไรที่มันเข้ามาเยอะอยู่ยังรู้หรือว่าโอ้โหมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับพระอาจารย์ที่ที่เราจะจะไปรู้ตรงนั้นเนี่ยให้มันเร็วอ่ะมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าหนูไปฟังพระอาจารย์หนูยังบอกว่าโอ๊ได้เท่าแค่มิดไซด์แต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่ก็พยายามที่จะสะสมไปครับพระอาจารย์อันนี้ก็ก็เลยคิดว่าเผือ่อเราจะเก่าได้มันไม่ใช่ธรรมดา แต่ในเรื่องทางด้านกายกับกจิตก็พยายามเข้าใจค่ะว่ากายเนี่ยมันมันมันไม่ใช่ของเราแน่นอนเพราะว่ามันสังเกตุแล้วโตโตให้พยายามอยากสวยอยากงามข่าวไหลพอมามองดูมันก็ยังเหี่ยวยังแห้งมันก็ยังไปตามการเวลาของมันอยู่คราบอาจาอื์อันนี้ก็คือว่าพิจรารณาถูกต้องไหมครับอาจารย์ก็มันเป็นสภาวะธรรมเป็นธรม ร, นธรมชาติปรากฏการทางธรรมชาติ ค่ะผู้อาจารย์บางทีหนูก็ขคำๆคเลยคิดถึงคําพูดของผู้อาจารย์เรื่องผมหงอกเรื่องผมอะไรหนูก็บอกว่า อ, อ๋อจะไปย้อมหรือว่าจะไม่ทําอะไรอีกแล้วหรออะไรอย่างนี้ยของพระอาจารย์แต่มันก็ต้องดูแลครับเพราะว่าเรายัางยังอยู่ในโลกของของการทํางานอยู่ยังอยู่ในโลกของออ่ที่เราจะต้องเหมือนเข้สังคมอยู่าสังคมคเข้าสังคมก็อย่าไปทุกข์กับมันก็แล้วกัน ค่ะพระอาจารย์ก็จะพยายามไม่ทุกขมันนะคะพระอาจารย์หนูก็คิดว่าตั้งเป้าไว้แล้วว่าจะให้ทำตรงนี้ให้เสร็จแล้วก็จะไปอยู่ในจุดที่ตัวเองต้องการมากที่สุดนะคะพร<ด>ะอาจารย์ครับางคนเราต้องเ ป, ป, ป้าหมายต้องมีเป้าหมายมันก็จะได้รู้ว่าเราทำอะตอนนี้ค่ะพระอาจารย์อันนี้ก็คือก็ตั้งเป้าเพื่อที่จะให้ให้บรรลุให้เร็วอ่ะคะ่ะคือไม่ใช่ว่าในทางนี้นะหนุนจะได้ปติดบัติมากยิ่งขึ้นนะคะพระอาจารย์นั่งอี ทางลูกอะค่ะพอาจาร <ừ, S 2> ย์ครับก็วันนี้ไปจัดเดี๋ยวเรก็จะจัดต่ อ, ตอไปค่ะพระอาจารย์ยังไงก็ตั้งใจไว้แล้วว่าจะต้องไปวัดให้ได้ทุกๆกอาทิตย์นะคะพระอาจารยา์ครับพรอาจารย์อ่าไม่มีอะไรครับพอาจารย์กรพระอาจารย์ค่ะที่คันนาลิน่าค่ิน่นลาใช่หยอ่าใช้ขันนลินนะค่ะพระอ า, า, า, าจารย์กบนส้สัก เค่ะพระอาจารย์เขาจะจะมารายงานเพิ่มเติ ม, มนะคะถึงการปฏิบัติเสียงหายไหมคะได้ยินไหมคะพระอาจารย์คะได้ยินไดนนะได้ยินชัดนะค่ะก็หนู ก, ก็ปฏิบัติกับพระอาจารย์ค่ะชัดนะคะมาสองปีนะคะก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเองค่ะคือปกติอ เมื่ก่อนจะเป็นคนที่น้อยใจง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะคําพูดคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็แทบจะไ ม, ไม่ไม่มีแทบจะไม่มีเลยคือน้อยมากที่จะรู้สึกแบบนั้นน่ะนะคะแต่หนูมีคําถามเดิมที่หนูยังติดอยู่นะคะคืออ่าเวลาที่คนว่าอะไรเนี่ยเราจะไม่รู้สึกโกรธหรือน้อยใจแล้วนะคะตอนนี้ยคือถ้ามีก็บางมากๆจับได้ก็ลงลงอะค่ะแต่มันยังอยู่ในคำคําชมของคนอื่นนะคะคําชมมันอาจจะเป็นเปได้ไปได้ว่า เป็นอาจารย์ที่สอนเกี่ยวกับศิลปะแล้วก็ทํางานเกี่ยวกับศิลปะแล้วออกแบบเนี้ยค่ะมันก็จะพูดถึงเรื่องความงามอะไรอย่างเงี้ยเป็นหลักใช่ไหมคะแล้วมันก็จะยังแบบยังเหมือนกับเวลาเวลาคนเขาชมว่างานดีสวยหรือเล่นชมเหล่านั้นอยู่แบบนี้เราจะถ้าอาจารย์พอจะแนะนำคนละวิธีได้ไหมคะว่าทำยังไงจะจะแบบใจที่อยากแบบ เราต้องเตือนใจแล้วว่าคําชมเนี้ก็เป็นของไม่แน่นอนบางทีเขาก็ชมนรบางทีเขาก็ไม่ชมนราเวลาถ้าเราไปยินดีกับคําชมเวลาที่เขาไม่ชมเราเราจะรู้สึกเสียใจถ้าเราไม่อยากจะเสียใจเราไม่อยากไปยินดีกับคําชมมาปล่อยเขาจบไปแล้วก็สะกิดใจแล้วว่าต้องคาดหวัง เราบอกว่าถ้าเราบอกว่าคําชมนี่มันไม่มันไม่เป็นของไม่เที่ยงอ่เนี่ยมันพรุ่งนี้อาจจะไม่ชมก็ได้ชมวันนี้พรุ่นี้อาจจะด่าเราก็ได้อ่ให้เตือนใจไว้อย่าไปยินดีกับคําชมเพราะคําชมมันไม่เป็นของไม่แน่นอนพองเพลงดูหายไปอาจารย์หา ได้สัญญาอะไรบ้างเลนะไปเปนย้ำไม่ได้พูดค่ะพอาจารย์ค่ะเสียงหายเหรอคะไวไฟค่ะตอนนี้มาแล้วใช่ไหมคะค่ะอาจารย์ค่ะค่ะโอเคค่ะพระอาจารย์ค่ะแล้วท่านี้เวลาที่เราเห็นใครที่เขาทําดีหรือว่าทำอะไรเราชื่นชมเขาเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นความเพจอะไรใช่ไหมคะพระอาจารย์เหมือนเราก็จะไปแสดงค่ะเราต้องมีอ่อมันนี้เขาทําดีพุกนี้เขาอาจจะทําไม่ดีก็ได้ นะเราอยู่ในโลกที่ไม่ไ ม, มไม่มีอะไรแน่นอน mm hmm. อย่าอย่าไปคิดว่ามันจะต้องดีไปตลอดมันเ uh huh. กิดเขาเปลี่ยนไปเราก็จะตั้งหลักไม่ได้ะ mm hmm. ที่ว่าเ้าดีเนะ <Okay. S 1> ี่ยมันดีคนดี่เขาพลิกกลายเป็ น, เ ป, นเป็นมหาโจทย์ไปนี uh ่เ huh. ป็นมาเนีอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจแต่ขอบคุณค่ะอาจารย์ต้ดูให้เห็นว่าทุกอย่างไม่มีอะไรแน่นอนอย่างนั้น อันนี้จําค่ะจำรู้ได้รู้ว่าตอนนี้เขาดีรู้ได้แต่อย่าไปคิดว่าเขาจะต้องดีพวงนี้อะไรนะพวกนี้อาจจะไม่ดีก็ได้เช่นเดี่ยวกับชมวันนี้เขาชอบอไรหรือว่าเขาชมแต่ก็อย่าไปยึดเป็นติดกับคําชมเขาพวกนี้เขอาจจะไม่ชมก็ได้อาจะด่าเราก็ได้หรือเราอาจจะไม่ได้เขารับหลังมาแล้เขาด่าเราคนอื่นเขามาเล่าให้เราฟัง อหน้าเขาก็ชมเนาลอบหลังเขาก็เป็นลิงทางว่าเพราะว่ า, า, ายตัต้องต้องต้องเตรียมเราเขาทุกสภาพม่อะไรต้องามาได้ยกก็ได้ค่ะนะโลงมันเปลดไปเปลี่ยนมาโลกกระทำกล่าขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์ขอให้พระอาจารย์ท่านแข็งแรงค่ะโอเค ทีนี้คนเชนินนะชนินเ ช, ช, ชนินประทุมธานียังไม่ใชน่นมัศการหาจานครับเรื่ขอแกครับอะไรนะครับอยู่ประทุมหรืออยู่ปรทมธานีครับรมีอะไรไหมวันนี้ก็ปฏิบัติมากขึ้นครับยังไม่มีอะไรมากครับอ่ามีเราฟังไปเรื่อยๆนะครับ โอเคไปที่คนคนหนาสำหรับคำถามจากเฟซบุ๊กและ u t u ู e มีคำถามจากทาง Facebook และ YouTube ทั้งหมดสิบคำถามค่ะคำถามแรกจากคุณสิทธิพอรอยากทราบวิธีการจัดการเวทนากายและเวทนาใจเวลานั่งสมาธิครับเออวทนาทางร่างกายเราไปจัดการไม่ได้มันเป็นธรรมชาติเป็นเหมือนดิดนฟ้ากาศ เราต้องหัดอยู่กับมันไปเวลามันเกิดการเจ็บก็หัดทำใจให้ได้เนยเฉยๆโดยการใช้พุทโธพุทโธถ้าเราใช้พุโทโธพุทโธได้เราก็จะจัดการกับเขาเวทนาทางใจได้แต่เราก็จะไม่ทุกกับเวทนาทางกายแต่เวทนาทางกายเราไม่จัดการไม่ได้เราจัดการได้อยู่เฉพาะเวทนาทางใจด้วยการใช้สติ ใจิตสิทำใจให้นิ่งวาทนาทำใจก็จะไม่เกิดแต่วาทนาทางใจมันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติที่เขาเขาจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันจะเกิดแล้วดับของมขไปเองเราไปจัดการเขาไม่ได้คถามต่อไปจากคุณเพ็กกี้นนน้อมกราบพระอาจารย์ทนายที่ว่าความคนที่ทำผิดอาญาแผ่นดิน คาตรกรต่อเนื่องให้พ้นคดีในทางโลกได้หากคนทำผิดชนะคดีทนายจะมีส่วนในผลของกรรมนี้ด้วยหรือไม่เจ้าคะ่ะกราบขอบพระคุณเจ้าคะ่ะเรื่อง <c oughs> เรื่องทางโลกไม่ไปเกี่ยวกับเรื่องของกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมถ้ามันทำผิดเป็นผิดะทางโลกเขาสามารถที่จะพลิกให้มันไม่ผิดกได้เพราะมันมีเทคนิคมันมีมันมีกฎหมายที่เขียนไว้มีช่องโหว่ไว้ต่าง ไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องทางโลกครับเพราะมันไม่ไปเปลี่ยนผลทางทางเก้าท้งกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทําชั่วแล้ชั่วถ้าฆ่าใครก็ต้องไปไปอบายแน่ๆในเมื่อทางกฎหมายจะว่าไม่ผิดก็ตามสมมุตินะงนั้นเราอย่าไปกังวลกับเรื่องของทางโลกให้เราชื่อกฎแห่งกรรมว่ามันเป็นของตายตัวต่อรองไม่ได้ใช้ทนายมามาแก้ให้ไม่ได้ครับ กฎแต่กรรมนี่ไม่ต้องมีทนายไม่ต้องมีตำรวจไม่ต้องมีศาลมาตัดสินก็แหงกรรมมันจะตัดสินโดยอัตโนมันติคำถามต่อไปจากคุณอธิการอยากสอบถามว่าอยากเริ่มทำสมาธิต้องทำอย่างไรก่อนคะต้องกสติก่อนตั้งแต่ลืมตามึ้นมาเลยพขาต่ขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปอยากปล่อยให้ใจทิ้งเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับพุโทโธไป เวลาไปเข้าน้ำล้างหน้าแปรงฟันก็พุโทโธไปอาบน้แต่ตัวก็พุโทโธไปรับปรทานก็พุโทโธไปนอกจากว่าจะจำเป็นจะต้องคิดก็หยุดพุดโทโธคิดเรื่องจําเป็นถ้าไม่จำเป็นก็อยา่ายไปใหวมันกินใช้พุโทโธพุโทโธอยู่ไปแล้วเวลามีเวลานั่งมานั่งหลับตาแล้วก็ทำพุโทโธพุโทโธไปต่อยัวใจก็จะสงบเป็นสมาธิขึ้นมา คำถามต่อไปจากน้องหลินหลินแต่ก่อนหนูฟังเพลงก่อนนอนแล้วหลับพอฟังธรรมจะหลับเหมือนที่เคยฟังเพลงอันนี้คือผลจากกิเลสใช่ไหมเจ้าคะไม่หรอการฟังธรรมก็เป็นผลหนิงธรรมธรรมะเป็นของสงบของเงยนนทำแล้วก็ทําให้ใจเยน็นทาให้ใจสงบคาถามต่อไปจากคุณสวัสด เรากำจัดปลวกได้ไหมคะจะบาปไหมคะถ้าดัมันตายก็บาปนะมีสองคำถามจากคุณวาสนาคำถามแรกน้อมกราบเรียนถามครับการทำบุญกับพระอริยะบุคคลพระอริยะเจ้าผู้มีศีลบริสุทธิ์จะได้บุญมาก บุญเกิดในชาติปัจจุบันอธิษฐานสิ่งใดได้สมจิตอธิษฐานและถ้าทำอกุศลหรือคิดอกุศลกับท่านก็จะรับในชาติปัจจุบันทันด่วนเป็นจริงใช่ไหมครับไม่จริงเราเราทำบุญกับใครล้ว เ, เราไปอธิษฐานขอโน่นขอนี่มันไม่ได้นี่ไปไปทำบุญกับพ้าเยี่ยเราขอให้ให้ได้แฟนเนี่ยให้ได้ลูกเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นเรื่องของน มันเป็นเรื่องของเหตุของผลเข้าใจไหมอ่ามันไม่เกี่ยวกันเราจะได้แฟนได้ลูกมันอยู่ที่คนละเรื่องกับการไปทําบุญการทําบุญไม่ว่าจะทำกับใครสิ่งที่เราจะได้ก็คือความเย็ยนใจสุขใจอ่เรียกว่าบุญจะทำกับใครก็ได้ไมันจะเป็นจะต้องทํากับพระอริยเจ้านะส่วนเรื่องสิ่งที่เราจะได้จากพระอริยเจ้ า, านี่ก็เป็นเรื่องที่ ถึงว่าท่านมีอะไรให้เราพรอริยเจ้าท่านก็จะมีธรรมะให้เราในธรรมวินัยท่าน่านก็จะสอนธรรมะให้กับเราทั้งนี้สิ่งที่เราจะได้จากพระอริยเจ้าส่วนการที่เราจะไปขอพอจากท่านขอได้บุญในดนีท่านให้เราไม่ได้คําถามที่สองของคุณวาสนาขอพระอาจารย์เมตตาชี้ทางปฏิบัติเพื่อให้ได้รับบุญกุศลอันควรแก่จิต ผู้ยังไม่อาจหุดพ้นจากกองกิเลสในปัจจุบันด้วยครับน้อมกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ครับถ้ามันทำบุญทําทานอยู่เรื่อยๆทําทบุญใส่บาตรก็ได้ทําบุญให้กับโรงพยาบาลก็ได้ทําบุญให้กับโรงเรียนก็ได้ถ้ามีเงินมีทางก็ทําไปถ้าไม่มีเงินก็ใช้ร่างกายเราเป็นอาสาสมัครไม่ทําคุญประโยชน์ให้เราสังคมก็ได้นําใช้สัองคมอันนี้ก็เป็นการทาบุญ เราก็มารักษาศีลพยายามรักษาศีลห้าให้บรยสุดอย่าไปเสพประบายมุ่แล้วถ้ามีเวลาก็นั่งสมาธิเนี่ยนะคือบุญที่พระเจ้าสอนให้พวกเราทำนะันค่ะคำถามต่อไปจากคุณสมบูรณ์ขอทราบวิธีปฏิบัติเพื่อให้จิตถึงวิมุตครับก็เหมือนกันนี้เพิ่มต่อไปนะทำทานรักษาศีลแล้วก็ปฏิบัติธรรมไปอย้ว่าถึงวิมุตเอง คำถามต่อไปจากคุณโอไมล์มาร์หนูเป็นโรคตาใช้ชีวิตลำบากและยังมีอีกหลายโรคที่ต้องใช้ชีวิตอยู่แต่ในบ้านหนูไม่รู้สึกกลัวตายหนูปฏิบัติแต่เวลาโรค ก, กําเริบทำยากมากค่ะคือหนูไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นอยากพบนิพพานแต่โรคที่เป็นอุปสรรคมากเพราะใช้สายตาไม่ค่อยได้เลยหนูควรทำอย่างไรดีคะ เราการปฏิบัตินี้ไม่จำเป็นจะต้องใช้ร่างกายแล้วก็เราปฏิบัติเราใช้สติใช้ปัญญาในร่างกายนี้ไม่ไม่ไม่จําเป็นถ้าเราไม่มว่าเราไม่ต้องใช้ตาหูมจมูกลิ้นกายในการปฏิบัติเราใช้สติคอควบคุมกับมคิจิตความคิดเราใช้ปัญญาสอนใจให้เห็นทุกอย่างว่าเป็นทุกเป็นใจรับเราก็ให้ปล่อยวาง น, นั่นเอง คำถามต่อไปจากคุณพิชชาขออนุญาตสอบถามค่ะว่าที่บอกว่าเวลาป่วยมากใกล้ตายแล้วปวดมากถ้าหมอให้ยาพวกแก้ปวดเช่นมอร์ฟีนพวกนี้จะมีผลต่อสมองและการรับรู้ทำให้สติอ่อนได้ดังนั้นเมื่อสติอ่อนจึงมีโอกาสไปอบายภูมิมากจริงไหมคะไม่จริงหรอกการไปอบายภูมินี่อยู่ที่กระบา ท, ที่เราทำไว้ ถ้าเราทําบาปไวม่มากกว่าบุญล้วก็ไปอาบายมันไม่ได้อยู่ที่จิตสุดท้ายของเราอะไรจะมีสติหรือไม่มีสติคําถามสุดท้ายจากคุณโดรากราพระอาจารย์เจ้าค่ะถ้าเราขวางทางเดินมดเพื่อไม่ให้เขาเดินมาที่เสื้อผ้าเราจะบาปไหมเจ้าคะเพราะโดนเขากัดบ่อยเจ้าคะ่ะกรารัามา<อ>ากถ้สน ความเขาไมให้เขามาสร้างความเสียหายเรื่องน้อยเราได้ก็ทำไปก็ไม่บล่แต่อย่างไดคำถามหมดแล้วเจ้าค่ะโอเคก็ถ้าเช่นนั้นก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปคิดพิจรารณาไปปฏิบัติเพิ่มความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่ ง, ง, งขึ้นไปเถ